อาจารย์คนพิลัยท่านแรกเชิญกลับน้อสการพระอาจารย์ค่ะได้ยินนะได้ยินค่ะได้ยินค่ะมีอะไรจะถามไหมคะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะมารับฟังค่ะยินดีตอนนั้นยินดีค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ยินดีตอนนั้นรับฟังอันนี้มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวนิดหน่อย ต้องทานทานพาราซิตมอบปะคะเออไม่เล่าอันนี้ใช้ธรรมะอสศธรรมะอสศเบคกขาดีกว่าเป็นก็ไปมึนเป็นไปสักแต่ว่ารู้ไปเท่านี้สบายกว่าไม่ต้องคอยหาพาราอย่าลน้วั่งแต่วดมาเนี่ยมไม่ได้กินยาแก้ปวดเลยก็พยายามปฏิบัติตามอาจารย์ค่ะมันเป็นก็รู้มันเป็นได้ แยกออกสิแยกจิตออากจากกายแล้วมันจะสบายกายก็เป็นเรื่องของกายจิตก็เป็นเรื่องของจิตจิตมีหน้าที่รู้กวารู้ไปไม่ต้องไปอยากให้นาคกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะทำให้จิตเครียดขึ้นมาอ่อ่ะนี่คือวิธีปฏิบัติกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้จิต ต, ต้องปล่อยวางปฏิบัติได้แต่อย่าประยาัดข้ามัน มีอะไรทำได้ทำไปไม่ได้ทำด้วยความอยากทำไปเพราะมีเหตุไมีผลได้ทำก็ทำไปไม่ทำก็ได้ทำก็ได้โอเคนะเดี๋ยวไปทีต่ <bold> อไปครับค่ะคุณวริ น, นผมสีแดงเลยแสดงยังปูกแต่งเลยนะครับ<า> หลวงพ่อจิตวัคซี น, นวันนี้เหรอครับผมยังยืดติดเข็มสองแล้วเข็มสองน่าเซเนกา้าเข็มสองงแต่งครับวงแต่งอยากเป็นตัวเราของเรามันต้องสวยต้องงานต้องทันสมัยหลวงพ่อครับการนานี้คือความหลงรึเปล่ญญาเนี่ยคือความหลงลน้องแตงยันติตัวเลยครับ ครับหลวงพ่อจะถามหลวงพ่อว่าคนดีนี่อะไรคือคนดีอครับหลวงพ่อแล้วก็คนดีก็ปฏิบัติสามข้อที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติไม่ทําบาป ท, ทำแต่บุญแล้วก็ตัดกิเลสชลาระกิเลสเอเนี่แหละคือคนดีพระพุทธเจ้าเนี่ยดีอย่างแท้จริงครับคนดีของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ดีอย่างนี้ พระพุทธเจ้าดีก็ดีด้วยการกระทำสามประการนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงสอนสามประการนี้วิธีทําตนให้เป็นคนดีโอเคครับก็เพราะตอนนี้เห็นมีบอก่มันจะมีคนบางคนเรียกตัวเองคนดีพอบอกตัวเองเป็นคนดีปั๊บมันมีคนไม่ดีเข้ามาในหัวทันทีว่านี่เป็นคนไม่ดีนะนี่เป็นคนไม่ดีนะแต่สุดท้ายพระเจ้าก็อ๋อดูที่ใจเราเองมันต้องี้มันต้องดูมาตรฐานของคน คนที่รู้เรื่องคนที่ไม่รู้เรื่องมันไม่รู้อะไรดีไม่ดีมันากันไปด่ากันมาคูดีกับมึงมึงดีกอะไรมไม่ดีมึงก็เลวใกันนั่งครูค เ, อเอามาตรฐานพุทธเจ้าเลยนะครับที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้นะครับพุทธังสารา น, านรันกชามิ น, นั <c oughs> มังสาานันกชามิสามคำสานันกชามิโอเคนะโอเคครับ คนม า, มาพัดเชิญนันพัฒน์การประมศการเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับเมื่อคืนได้เข้าไปฟังพระอาจารย์ตอบคาถามในภาพภาษาอังกฤษอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็รู้สึกว่าฟังพระอาจารย์ตอบเป็นภาษาอาาังกฤษแล้วมันเข้าใจง่ายดีเจ้าค่ะอาจารย์เหมือนกับว่า ม, ม, มันตรงมันตรงมาเจ้าค่ะ พยายแล้วแล้วมันเป็นการฝึกให้เราได้ฝึกเหมือนกับใช้สติมากขึ้นนะเจ้าค่ะอาจารย์เพื่อให้เข้าใจภาษาที่เป็นคนอีกคนละภาษากับเราอย่างเงี้ยเจ้าค่ะต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อไปเวลาคุยกัคนต่างชาติะจะสามารถใช้สับแสงที่มันเ ข, เข้าใจค่ะเพราะว่าบางสาวลูกไม่รู้นะเจ้าค่ะแต่ลูกลูกอนุมานจาก ประโยคที่พระอาจารย์พูดแล้วพอดีเรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยบ้างก็งเลยเข้าใจเลยมีความรู้ไปด้วยว่าภาษาอังกฤษใช้คํานี้อย่างไรเจ้าค่ะไม่ดีไม่ไม่ไม่ห่วงเชิญติดตามได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ลูกติดใจอันหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอบคาถามผู้หญิงท่านหนึง่งเกี่ยวกับเวทีมาค่ะพระอาจารย์เวทีม <Red Dream. S 2> อ ค่ะก็คือพระอาารย์บอกว่ามันมาจากการกินอาหารเหรอเจ้าคะมันไม่ใช่จากกิเลสที่เป็นคนมากด้วยกรมารมณ์เลยค่ะไม่คือการกินอาหารนี่ไปกับต้องมีกิเลสเนี่ยอเวลากินของมันมันเนี่ยกินแล้วร่างกายอีกมมีพีมมันพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์มันก็เลยมันก็เลยไปกระตุ้นจิตให้เกิดความอยากมันก็เลยไปฝันอย่างเงี้ยเหรอเจ้าคะพระอาจารย์ก็ก็มันก็ ไม่ฝันทำไมถ้าถ้าไม่ฝันทำไมก็ไปไปเสพการมันนอคนที่ไม่ได้เสพการมก็ออกมาทางตอนเวลาฝันเวลานอนหลับไม่มีสติถ้าถ้าอย่างนั้นคนที่จะช่วยการที่จะช่วยให้เราลดไอ้การมลพได้อาหารก็มีผลมากใช่ไหมจ้ะคะมีมีวนควรจะลดของมันมันของมันมันนี่พวกเนล้วกเลยพวกไขมันอะไรต่างเนี้ย กินเข้าไปแล้วมันจะทําให้นาำกายมันอิ่มหนี้พีมันอ๋อเ จ, จ้าค่ะนอ้องน้อกนั้นพอพอจะเข้าใจที่พระอาจารย์อธิบายแล้วชาวต่างชาติเขามั่นมั่นคงนะเ จ, จ้าค่ะพระอาจารย์คือเขาแบบเอาแต่เนื้อเนื้อนะเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้สึกใช่เขาเขาอ่านหนังสือเขาเข้าว่าพุทธศาสนาผ่านทางการอ่านหนังสือแล้วเขาก็รู้รู้มาระดับหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเปิดใหญ่ แต่เขาจะได้อยทําต่ทบุญทําทานทำพิธีกรรมต่างๆนี่เขาจะไม่ค่อยรู้จักเขาไม่ได้เกิดในสังคมอย่างคนไทยเราเกิดในสังคมที่มีพิธีกรรมทำศาสนากันเขาเข้ามาทางทางทางปัญญาทางวิปัสสนาทางทางภาวนาจังสิงอแต่ทางเรื่องการทําบุญทําทานนี่เขารู้สึกจะได้ เใช่ บ, บางที่ก็สอนยากพอไปสอนให้เขาทำบุนทํำทานก็เหมือนจะไปบางท่านไม่ของเงินอยากเข้ามาเหมือนให้ใช่เ <laughs> จ้ะค่ะเขาเห็นเห็นบางท่านเหมือนกันก็แบบแต่แต่เขาจะเอาเรื่องเหมือนเขาใช้แบบการศึกษามามาเป็นตัวไอ้นี่ยก็ไม่เป็นประเด็นเขาไม่ไม่อยากจะทําบุญทำทายเขาไม้เป็นไรแต่พวกที่เข้ามาศึกษาแล้วพอเขาเข้าเข้าใจความสาคัญของทําการทำทานเนี่ยเขาก็ ก็ถวายมาถอยประจัยมาขอสัมพันธ์กันจะคามาจ้ะเพราะมันทําให้เขาได้ความความสุขทางใจไงใช่ได้ลดละความโลภในเรื่องมรรคได้ลดละความตเหนี่ยความยึดความโหยในทรัพย์สมบัติชอาของเงินทองเจ้าค่ะครับวันนี้ลูกไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์มากราบพระอาจารย์แล้วก็มาฟังท่านอื่นด้วยเจ้าค <Hi. S 2> so yes, yes ่ะพระอาจารย์ เดี๋ยก็ขอไปที่คุณเอกต่อเลยคุณเอกจากเชียงรายกานวัฒนการพระอาจารย์ครับผมไม่มีอะไรครับเข้ากราบพระอาจารย์ครับผมเ้าวากราแล้วก็ร่วมรับฟังครับผมไม่มีกิเลสใ้ใจกิเลสมันมีอยู่ครับพระอาจารย์แต่ไม่มีอะไร ครับก็ก็มีอยู่ครับก็ปฏิบัติอยู่ครับก็ดูดูมันไปครับอาจารย์ครับดูมันทําไมต่อยมันเลยทุกมันอยู่ไปเสียดายมันทำไมครับก็ก็พอรู้ครับถ้ามันมันมีขึ้นมาก็คือถ้ามันมีขึ้นมาในใจก็เหมือนกับความโกรธขึ้นมาเงี้ยก็คุมในใจไม่ให้มันออกมาทางกายทางวาจาครับอาจารย์ก็จะเป็นภาษาไงนะครับรู้ว่ามันโกรธขึ้นมาเห็นว่าเออมันขึ้นมาแล้วก็เออ รู้โกรธแล้วก็กระทุบมันลงไปเลยไม่ให้มันโผล่มาทางกายทางวาตยาต้องการไม่ให้มันเกิดด้วยการแต่ระงับความอยากคถามว่าเมื่อกี้เราโกรธนี่เกรธเพราะอะไรเพราะอยากให้เป็นอย่างนั้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างได้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมลอาไม่ได้ก็โกรธขึ้นมาครับใช่ครับใช่ครับเคยเคยมีอยู่ครับเคยมีคิดคิดอยู่ครับเพราะว่าคิดว่าเหมือที่อาจารย์เทศให้ฟังครับบางทีอยากได้ความที่เหลืออะไรจากใครอย่างเงี้ย มันเกิดความอยากถ้าเกิดไม่ได้มันมันก็ทรมานก็เลยไม่ไม่ไม่อยากอะไรครับทุกวันนี้ว่าไม่ไม่อยากจะไปอะไรก็คือพึ่งตอนเองมักน้อยสันโดยยินดีตามยิตามเกิดข้าวผมเขาจะให้ก็ให้เขาไม่ให้เขาไม่ว่าอะไรเขาจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยกขาไม่ว่าอะไรข้าวผมข้าวผมจะจะอยู่ในในในแนวเนี้ยค แต่ถ้าเราช่วยได้ให้ได้เราก็จะช่วยเราจะให้เพราะนั่นเป็นความเมตตาข้าพระพุท้าครับผมนะครับผมก็ไม่ไปคาดหวังอะไรจากใครก็คือก็ทําให้มันเป็นกลางๆใจกลางๆว่าเออได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ประมาณเนี้ยครับเนื่องไปสั่งไปบอให้เขาทําก็ไม่ได้เข้าทาอย่างนั้นเขไม่ทําตามเราก็โกรธข้าพระพุทธเจ้าครับผมเน้นต้งแก้พยายามแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่มามาแก้ที่ปลายเหตุ มันโกรแล้วก็หยุดมนันมันก็กลับมาโกรธเรื่อยๆโอ้อกี้ที่มันโกรธแล้ต้องถามว่าเมื่อกี้เราโกรธเพราะอะไรครับผมมันต้องมีเหตุที่ทําให้เราโกรธเหตุก็คือความอยากได้อะไรอยากได้อย่างหนึ่งจากใครจากสิ่งใดครับผมมันจะได้เป็นบทเรียนสอนเราขั้นต่อไปว่าต่อไปนี้เราจะไม่อยากมล้นะครับครับผม มันจะมาคอยมาคอยหยุดมันด้วยสติพุทโธพุทโธหรือแผ่เมตตามันมาแก้ไปถ้าผมรับผมเดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่มาให้ก่อนครับครับใช่ครับใช่ครับเพราะเพราะทุ่วันนี้ก็เดีนี้เจริญสติคือมันจะเป็นเองครับเวลาเดินไปเท้าขวามันจะพุทโธพุทโธมันจะเดินมันจะมันจะขึ้นเองครับอาจารย์ก็เจริญสติไปช่วงช่วงช่วงเดินนี้มันเริ่มเริ่มเริ่มติดแล้วครับเรื่าเรี่บอกว่าที่อาจารย์ทราบว่า สติมีสำคัญครับผมมีสติแล้วต่อไปมันก็คุมเจนได้ใช้ปัญญาได้ครับครับผมโอเคนะไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีครับกลับขอพูดพระอาจารย์ครับาสาธุคุณหมอภาฒนาเชิญกลับเรื่องของ ก, กอารพระอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณมาคุณหลานคนุณชัยมีคําถามนึงค่ะพระอาจารย์วันนี้ค่ะคําถามคือว่า ในระหว่างวันระหว่างนั่งสมาธิใช่ไหมคะมันก็จะมีช่วงที่ระหว่างวันนั่งสมาธิเนี่ค่ะให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยได้สองแบบเป็นไคะพระอาจารย์ก็คืออันแรกคือว่าให้ดูกยายกตาสติคุมหมดทั้งหมดเลยช่างเรื่องของการเดินยืนแล้วก็เรื่องของอสุภะอะไรพวกเนี้ยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือดูจิตนี่คือดูสังขารดูว่าเรามีความโลภพาโทษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ระงับความอยากคืออันนี้เข้าใจถูกหมะัะพระอาจารย์พยายามทำสองอย่างนี้ใระหว่างวันถูกไหมคะะ คือเรื่องจิตนี่ถ้าไม่จะเป็นเนี่ยแม่อไม่ต้องไปดูเหมือนถ้าเราคุมมีสติด้วยกายอนั่งปัญหาทางจิตมันขก็จะไม่เกิดน oh. oh. okay. ะก็ดูพ <Okay. S 1> ยายามมีสติอยู่ <Okay. S 1> กับร่างกายกับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย oh. แล้วถ้าเกิดมีความทุกข์มีอารมณ์ไม่พอใจอะไรก็ใช้สตินี่ดับไป oh. ใช้ยุทธวิธ oh. ี ไม่ต้องไปยุ่งกับสังขารใช่ไหมอาจารย์หือว่าไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ตอมันมันมันไม่เราเราคุมมันอยู่กันด้วยสติอ๋อค่ะเราควบมนี่แต่บางทีไม่ให้คุมมันตลาดเวลาพอมันมีช่งมันก็ออกมาฟันเราอืมแล้วก็ดูดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นดูความโกรธดูความโลภที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าไม่รู้จะใช้อะไรไม่ใช้ปัญญายังไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนหยุดมันไปก่อน ถ้าใช้ปัญญาได้ก็ดูเป็นดูว่ามันเป็นทุกสิ่งที่เราอยากได้พยายามเป็นปัญญาแต่ถ้าเวลาฝึกสตินี่พยายามอย่าใช้ความคิดคิดให้น้อยที่สุดให้มันให้มันควบคุมความทีดหยุดความคิดตึดแต่ให้ได้จะดีกว่าเวลานั่งสมาธิจิตจะได้นี่งได้ง่ายและได้เร็ว ถ้าเานัสมาธิแล้วยังไปนั่งคิดแบบตอนที่เราเดินจโยกม่อมันก็มันก็เหมือนกันมันก็ยังไม่สนบถ้าที่ควนพ ย, ยายามอย่าคิด อ, อั น, นที่ถามว่าอาจารย์นี่หมายถึงระหว่างระหว่างออกจากสมาธิแล้วค่ะอาจารย์ก็คือให้ดูกยายคตาสติแล้วก็ดูอารมณ์นะคะเพราะนั่งสมาธิก็จะใช้สมาธิใช้อนาปนานสติอย่างเดียวก็ทำไมไม่ดูอย่างเดียวทำไมไม่ดูร่างกาย เอาคือนึกว่าจะให้ดูนึกว่าใจดูอารมณ์ด้วยว่าว่า<ม>เรื่องของความโลภกับความโกรธอะไรครับอาจารย์อย่างหลาก็เนี่หละดูดูกายก่อนเลยนะเพือ่อให้มีสติให้หยุ ด, ดให้หยุดความคิดปุงแต่งว่าความโลภความโกรธมันก็มาจากความคิดปรุงแต่งนี่เองถ้วเราสติเราเผลอบ้างอะไรมันก็คิดปุงแต่งถ้าไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาในใจเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาออื งั้พยายามเอาสติให้ได้ก่อนเอาสติเรื่องอย่างอื่นนี้เรื่องเวทนาเรื่องจิต น, นี้ก็จะทำก็ทาได้แต่กลัวมันจะมาขัดขวางการจเจริญสติของเราทําให้มันไม่ก้าวหน้าที่เท่าที่ควรเราไปจับไปจับไปจับปัญหาหลายตัวด้วยกันเราที่ยตัวดีกว่าตัวแรกก็คือ สติคอยหยุดความคิดปรุงแต่งให้ด้ให้มันรู้เฉยเฉยรู้เฉยเอยากไปคิดปรุงแต่งกับอะไรที่มาให้สำถันรับรูรสักแต่ว่าลืมไปจะลองทำมังี้อย่างเดียวก่อนค่ะพาระอาจารย์ค่ะตันนี้ไม่มีแล้วค่ะพาระอาจารย์ไม่สำถันแล้ไปที่กุลวิสาอยากสวิสลาเชน นมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงวันนี้ปฏิบัติอยู่บ้านใช่ไหมค่ะวันนี้ปฏิบัติอยู่บ้านค่ะพระอาจารย์จากอาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์ชี้แนะโยมก็เข้ามาทบทวนแล้วก็ลงใจแล้วเข้าพระอาจารย์ว่าจะใช้ทรัพย์ของตัวเองที่มีเพื่อประโยชน์ทางธรรมให้กับตัวเองยังไงบ้างตอนนี้ลงใจมากเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีค่ะก็อะตอนนี้กำลงัง ดำเนินหาสถานที่หาใครที่มันเหมาะสมสม ค, ควรค่ะอาจารย์ที่มีอยู่ตอนนี้มันไม่ดีพออที่มีอยู่ตอนนี้คือมันยังอยู่ที่บ้านหรือว่าอย่างที่ร้านหรือมันมันยังมันยังไม่คือมันยังไม่เงียบสงบพอกับพระอาจารย์คือเงียบสงบแล้วทีนี้คนที่บ้านเขาก็อยากจะให้แบบว่าดูมันปลอดภัยด้วยเขาก็เลยหาช่วยะค่ะพระอาจารย์ก็เลย ดูอีกทีหนึ่งก็จะว่าจะไปเดือนหน้าค่ะพระจานทร์ไปไปอยู่ที่วัดเนยอยู่ที่อ่าจะไปหาแค่หาประมาณว่าสตูดิโออพาร์ตเมนต์ค่ะพระจานทร์ค่ะจะไปอยู่คนเดียวเลยค่ะพระจาจารย์เขาก็เลยเขาก็เลยหาช่วยค่าว่าตรงไหนที่มันมันมันมันน่าจะปลอดภัยสําหรับเราด้วยไม่เงียบเกินไปไม่เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระจานทร์เขาก็เลยช่วยด้วยก็เลย ด้วยกันหาเพราะบางทีถ้าเกิดเป็นโรงแรมบางทีมันก็แบบมันพื้นที่มันมันคนมันก็ยังเยอะอยู่อะค่ะพระอาจารย์เแาเนี้ยก็เลยอาจจะออกไปนอกเมืองอีกแหะค่ะพระอาจารย์แล้วที่อยู่ไม่มีวัดที่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมมีวัดค่ะที่วัดคันเดอร์สเตดค่ะพระอาจารย์แต่ตอนเนี้รู้สึกว่าใช่ค่ะพระอาจารย์คือภาวะโควิดนะคะก็เลยไม่ได้รับก็เลย ก็เลยว่าไม่เป็นไรก็เราก็จะหาที่อื่นเขาปกติเขาก็เปิดนะคะอาจารย์ก็อย่าหมกมุ่นกับการหาจนลืมการปฏิบัติในปัจจุบันไปนะค่ะอาจารย์ปัจจุบันก็ต้องปฏิบัติไปตามมีตามเคยตามสภาพาที่เรามีค่ะอ า, าจารย์ส่วนการหาก็หาไปตามความเหมาะสมไม่ใช่โม่แต่หาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ปฏิบัติ เดี๋ยวพอได้ที่แล้วเหมือนพอไปอยู่ที่นั่นปฏิบัติไม้ออกมาไม่ได้ปฏิบัติมานานมัวแต่ไปหารุ่นหาเน้นเดี๋ยวไปที่นู่นก็มืนจะไปหาอะไรก็ไม่รู้เลยครับอาจารย์เข้ารับครับอาจารย์ะย่างบางทีกิเดสมันหลอกเราหลอกให้เราไม่ปฏิบัติในการหลอกให้เราไปหาที่ปฏิบัติปัจจุบันเลยไม่ได้ปฏิบัติเพราะมัวแต่ไปมองที่อนาคตว่าจะหาที่นู้นที่นี่ไปปฏิบัติ มีเหมือนกันก็มันใช้เวลาเยอะเหมือนกันไงต้องเอาเวลาเจียดเวลามาหาตรงนี้อีกเยอะเหมือนกันแถวป้าจัปัจจุบันก็ต้องปฏิบัติแลก็หาก็หาไปแบ่งเวลาทำไปคค่่ะะหาไม่ได้ก็เอาที่ที่เรามีอยู่เนี่ไปก่อนค่ะพป้าจันคิดว่าได้อ่ะค่ะพป้าจันว่ามันสําคัญที่สติมากกว่าสถานที่นะ ในสถานที่ดีแต่ถ้าไม่มีกําลังที่จเจริญสติมันไปมันก็อาจจะคลุ้งซ่านหรือเหนาวว้าเวอะไรขึ้นมาก็ได้ค่ะอาจารย์ตอนแรกโยมก็เลยคิดว่าอสารอาทิตย์โยมจะปีกไปลองซักตั้งนึงก่อนคะ่ะพระอาจารย์ว่าจะเสารอาทิตย์นี้คะ่ะว่ายังไงมไม่ถือว่าคือแบบว่าเอ๊ะมนจะเกิดภาวะอะไรบ้างกับเราแล้วเราก็จะเปิดเรียนหน้าเราก็จะ เพิ่มตามที่ตั้งใจไว้อาจารย์ก็ดีดอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าให้ให้เจินสติว่าอย่าลืมว่าเราต้องเจริญสติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนส่วน<ะ>ที่หาได้ก็หาไปหาไม่ได้ก็เอาที่ที่อยู่ตอนนี้ไปผ่านๆก่อนค่ะ น้มรับค่ะโอเคนะค่ะอขอ บ, บคุณค่ะพระอาจาจรย์ิญคุณแนนคุณแนนจากอุดอรนะการรักษาการค่ะมีอะไรไหมอุดอรค่ะไม่มีคาถามค่ะไม่มีนะโอเคต้อฟังคนอื่นมาฟคถามคน อ, อื่นณะ า, า, าีจากสัตเี๋ยการรักษาการค่ะไม่มีคาถามค่ะ อันนี้กินเพิ่มนิดหน่อยนะอย่าให้มันร้อนจนเกินไปมันกินได้ไม่ยีมากค่ะอาจารย์ก็เป็นไปได้ค่อยๆกินกินค่ะกินกินก็เกินเป็นเวลาออกเ็้าได้ค่ะค่ะอาจารย์เป็นคุณออมต่อเลย้องอาจบอวินนักสัการะค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะ ไม่มีนะโอเคเน้นไปที่คุณชูติวัฒน์นะชูติวัฒน์งานนิทรรศการครับพระอาจารย์ท่าอาจารย์ได้ยินผมชัดเจนได้ยินชันดเจนโอเคครับเ อ, อตอนแรกครับพอดีผมเจอหอยทากและทีนี้มันอยู่ข้างนอกห้องแล้วพอเวลาเจอสัตว์นะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพอเวลาผมเจอผมชอบไปคิดว่าเหมือนกับไปทําร้ายมันแล้วผมก็มาชุดคิดได้เมืเ่อไหร่กีว่า ตะกี้ไม่ได้เปิดประตูมุ้งลวดแต่ครับคือมันอยู่นอกบ้านแล้วทีนี้ผมก็มีชิดไปว่าถ้าเราเกิดเป็นสัตว์แล้วเราไปทําร้ายมันทุกชีวิตมันรั้ว ม, มีคุณค่าถ้าเราคิดแบบนี้แล้วแผ่เมตตาคือแผ่เมตตาแล้วมันไม่ยอมถอยห่างมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆอย่างเงี้ยต้องแผ่เมตตาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับด้วผมก็ชอบส่งกระแสจิตบอกเทวดาประจําจตัวคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเอางงมงายหรือเปล่า โด ย, ยถ้าอยู่ถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพของมันได้ก็ปล่อยมันเป็นไปตามสภาพของมันไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ถ้ามันมาบรบกวนเราเราก็จะต้องจัดการ ย, าย้ยายย้ายมันไปอยู่ที่ที่ที่มันไม่เข้ามาบรบกวนเราก็ได้ถ้าจาับมันมันมเป็นสัมภาระพิษอย่างผมเคยเจอจริ้งเจอครับแล้วผมไปลองหาในอินเทอร์เน็ตดูแล้วเขาบอกว่ามันมีพิษคือถ้าเกิดเอามือไปสัมผัสเนี่ยมันมีพิษอย่างเนี้ยเคยเจอในห้องควด ใช่ทุกมือเลยใช้ทุกมือนะครับเอาไมา้มากดหัวมัไว้ก่อนก่อนเยี่ยมไปจับตัวมันก็คือสัตว์นี้พิษอย่างนี้เราค่อยจัด ก, การให้มันออกทาใช่ไหม อ, อย่าให้มันกัดเราได้แม้แต่งูก็ยังจับมันได้อ๋อก็เราก็เวาา้นระยะถ้าเกิดมันจะมาทําร้ายเราเราแล้วสัตว์ตัวนั้นมันเป็นมันมีพิษเราก็กําจัดแต่ถ้าสัตว์ตัวนั้นไม่มีพิษก็ลองเว้นช่วงเอาไว้ถ้ามันยังไม่ออกไปก็ฉเพสัตาไปเพราะว่าผมก็ ไม่กา้าไม่กล้าจับมันก็แต่มันบางทีก็อาจจะต้องพึ่งคนที่เขากล้ามันช่วยจับได้ไปก่อนเพราะถ้าคุยคิดว <c oughs> ่าพ่อแม่ตายไปอย่างเนี้แล้วถ้าเกิดเราต้องอยู่คนเดียวเราจะทํำยังไงมันก็เป็นคํนาถามที่เราต้องโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับก็ต้องค่อยฝึกไปดูคนอื่นเขาไปดูเวลาเขามาจับมจับอะไรเขาจับยังไงล้วก็ศึกษาไปครับเพระอาจารย์ครับแล้วอย่าง อาชีพบนโลกใบเนี้ยที่เขาไม่ได้มาทางปฏิบัติทำไม่ได้เน้นปฏิบัติทำไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรืออาชีพต่างๆคือพอดีว่าผมนึกถึงที่หลวงพ่อฤาษีดัง่งท่านบอกครับว่าตอนนั่งสมาธิผมไม่รู้ว่าผมรักสามาถูกป่าวแต่ถ้าไม่ด้ผมฟังนะครับท่านบอกว่าตอนนั่งสมาธิให้กําหนดจิตอย่างเดียวว่าชาตินี้เราจะต้องบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพาน แล้วถ้าเราคิดไปอย่างเงี้ยครับตอนเราสิ้นลมหายใจไปครับเราเราจะได้ไปพนิพานนะครับถ้าเกิดว่าเราปฏิต อ, อที่ตนฟงังธรรมทำบุญใส่บาตรต่างๆนานแล้วต้องปฏิบัติธรรมต้องมาปฏิบัติธรรมต้องนั่ง ส, นะสมาธินานๆให้จิตรวงเป็นเบิขาให้ได้นะครับพอเราออกจากสมาธิก็ พิจารณาทุกอย่างไปให้เห็นว่าเป็นตายรับหนึ่งเป็นอนิจจังทุกข์เขานะตาแล้วก็ละความอยากความต่างๆได้มันถึงจะไปนิพพานได้วันนี้มันไม่ได้ไปเพราะเราท่องว่าจะไปนิพพานชาตินี้จะไปนิพพานชาตินี้คือเหมือนท่องว่าจะไปกรุงเทพไกรุงเทพแต่ไม่ไปซื้อไม่ไปตีตัว๋วมันก็ไม่ได้ขึ้นรถไปอย่างนี้นงใจจะไปกรุงเทพก็ตั้งตั้ ง, ต, งตั้งคิดอยู่นะจะไปกรุงเทพจะไปกรุงเทพ แต่ไม่ไปที่สถานีรถไปซื้อตั๋วขึ้นรถมันก็ไปไม่ได้การการให้นักนักคจะไปที่พานนี่ก็จะได้รู้ว่าเราจะไปที่ทางไหนไงถ้าเราไปทางอื่นเราก็จะะบอกว่ า, าไปไม่ได้เราจะไปนี่พานนี่พานก็ต้องปฏิบททัติธรรมผมก็มีนั่งสมาธิครับแล้วทีนี้ จิตของผมผมก็ย้อนดูวิดีโอที่ที่เป็น Facebook l i v เมื่อวานแล้วก็เจอตั้งแต่ปีห้าเก่าครับที่เขาเอามาเผยแพร่ใหม่อยแล้วทีนี้เอ่อเอ่อก็เหมือนกับว่าอา๋อมีคนมาถามบอกว่าจิตสมาธิยังบอกแวกอยู่แล้วหลวงพ่อบอกก็แสดงว่าจิตยังไม่นิ่งทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีการนั่งสมาธิไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้นั่ง ติดต่อนานขนาดนั้นนะครับก็เ อ, อบางทีมัมไม่หลับผมก็นั่งสมาธิเพรนั่งสมาธิแล้วมันก็ช่วยทําให้นอนหลับแล้วพอตอนเช้าในวันเดียวกันนั่งอย่างวันเนี้ยสติติดสูงสุดสามรอบเพราะว่าผมต้องการจะฝึกจิตให้นิ่งอย่างนี้แปลว่าผมเดินสายกางอะครับก็ฝึกทูนก็ไปแหละเพราะว่าถ้านั่งแบบนั่งดีสติมันก็ไม่มีวันนิ่งต้องมีลายกรรมกับจิตเช่นทําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธนวดดูดดลมหายใจเขา้าออก อย่าอยให้นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆไม่รียกว่านั่งสมาธิผมนั่งไปด้วยผมก็เปิดบทสวดอปิมัญญาภาวนาไปด้วยก็มันไม่ควรจะถ้าเราดูลมได้ควจะดูลมไปก่อเลิพุโทโธไปก่อนนอกจากว่าถ้าดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็สวดไปก่อนก็ได้ในการสวดนี่มันจะไม่ทําให้จิตนิ่งมันจะทาให้จิตคลายความฟุ้งซ่านได้ โอเคนะโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับคุณสอนดวงสอนดวงจากสวนรณเขตเป็นมาสการผู้อาจารย์มีอะไรมั้ยมีคำถามอะไรมั้ยไม่มีค่ะผู้อาจารย์เข้ามากราบพู้อาจารย์โอเคสาธุคุณยินดีจาก U.S.A. South Carolina เป็นยังไงยินดีไปทำงานเหมือนเดิม เรามีเงินนั้นมีคนหาเงินให้เราใช้นะเราอยู่บ้านทำกับข้าวอย่างเดียวทำกับข้าวดูแลครัาก่อนอื่นลูกกากขอขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ลูกกากขอขอบคุณที่ท่านพระอาจารย์เป็นร่มโพล่มใจให้กับครอบครัวลูกมาตลอดค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ลูกมีคำถามหนึ่งคำถามอะค่ะลูกอยากจะทราบว่า ในกรณีถ้าเกิดคนได้ปัญญาเนี่ยค่ะควรที่จะเร่งความเพียนในการฟังธรรมในชาตินี้เพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มปัญญาในในชาติหน้ากรณีที่สามารถที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ในการที่เ้าทําบุญทํากุศลไว้อันนี้ลูกพูดถูกต้องไหมคะก็ต้องฝึกต้องฟังเทศฟังธรรศึกษาธรรมไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เข้าใจหลักธรรม พระอาจารย์วิธีการดําเนินชีวิตของเราที่จะพาให้เราไปสู่ที่ที่ดีที่สุดที่เจริญค่ะยูขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์นอกจากนี้เข้ามานี่ก็ถือว่าเป็นการฟังเทศแล้วถึงแม้เราจะไม่มีคําถามก็ฟังคําถาของคนอื่นเราพนักความรู้ค่ะถ้าอ า, าจารย์แต่ครับความรู้บางอย่างอาจจะไกลก ว, ว่าที่เราปฏิบัติได้เรก็รอไว้ก่อนเราก็ปฏิบัติ ส่วนที่เราปฏิบัติได้ทำบุญทำทานรักษาศีลไปก่อนปฏิบัติทำได้เดิน mm hmm. จงกรมนักงสมาธิได้วก็ทำไปค่ะพราะลูกถามเผื่อคนที่บ้านนะคะเพราะว่า mm hmm. ตอนนี้เขาก็ไม่เป็นไรแล้วเขา ก, เขาก็เขาก็เข้าหาวัดอยู่เรื่อยๆครับ ข, ขอบคุณค่ะท่านอาจารย์อยากให้เขาแบบคือฟงังธรรม อย่าไปยุ่งกับเขามากไปเกิดไปอย่ต้อาใชีวิตเขาเดี๋ยวเขายิ่งต่อต้านไม่ค่ะท่านอาจารย์คือคือเนี่ยค่ะก็คือก็ผมบอกวเขารู้แหละเขาไม่ง้อขนาดนั้นหรอกพยายามค่ะท่านอาจารย์ตอนนี้ข้าวฟังเลยลูกขอขอบคุณมากการนี่แหละค่ะท่านอาจารย์ก็หนูถึงบอกว่าหนูลูกขอขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ที่เป็นล่มโพล่มไตให้กรอบครัวลูกอะ ไปที่ท่านต่อไปอาจารย์สายทิพย์หายไปหลายสัปดาห์นี่นะไปเที่ยวอมาเลยเป็นปฏิวัติ <c oughs> กาบนวัฒการพระอาจารย์ค่ะอาทิตย์ที่แล้วตั้งใจจะเข้าค่ะแต่เผอิญอยู่ๆน้องหมาก็ตาบอดค่ะพระอาจารย์ก็เลยต้องดูแลเขาแล้วก็ดูเวลาอีกทีเลยเวลาแล้วค่ะก็ <c oughs> <c oughs> เลยอุ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้าเลยค่ะ ช่วงนี้ไม่ไม่ได้ปลีกวิเวคค่ะพระอาจารย์แต่ก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านค่ะนั่งสมาธิแล้วก็ฝืนเดินตรงกลมให้ให้มันได้ค่ะทีนี้เดินตรงกลมชอบง่วงค่ะพระอาจารย์เดินไปมันเหมือนมันเหมือนจะแบบเดินไปแล้วเหมือนเหมือนจะหลับค่ะแต่ไม่เหมือไม่เหมือนตอนเดินช้อปปิ้งเดินช้อปปิ้งเดินโน่นเดินนี่้วโอ้ตื่นตาตื่นใจ นานาสิกาก็เ <kho' c> ลยเอย๊แต่ก็พยายามอยู่ค่ะก็เลยเอย๊เดินไปทีนี้มันมันง่วงก็เลยหยุดยืนยืนแล้วก็ยืนดูลมหายใจค่ะรอให้มันเหมือนแบบหายง่วงแล้วก็เดินต่อทีนี้ก็เลยหรื อ, อเดินช้า ไ, ไปอาจจะต้องใช้พุทโธสวดบนไปกระดาดูลมาจจไม่ค่อยไม่ยากฝักไม่ är, มเยอา<ช>ลอมมั เดินเด<ม>ินไปแล้วเราสวดอิติปิโสไปก็ไดไไไ้ไม่ไม่ต้องดูลมใช่ไหมค้องด ม, มันจะได้จิตจะได้มีงานทํามันจะได้ถ้าดูลมนี้มันอาจจะสติมีน้อยมันก็เลยทำให้ง่วงได้ค่ะก <c oughs> ็ <c oughs> ลเลยตอต้องสวดมนต์มันต้องคิดมันต้องคิ ด, อ, คด อ, e อ, อ่ออิติปิโสาะกวาหรือถ้าเราท่องพุโทโธเร็วๆได้ไหมคะพระอาจาได้เร็วก็ได้ช้ากะได้ไวอย่าดูลมนังถ้าสติมันจมวนนี่อย่าไปดูลมมันจะหลับอย่าไปดูลม ค่ะทีนี้พอน้องมาที่บ้านเขาเขาตาบ่อยเงี้คุณพ่อก็เลยบอกว่านี่เห็นไหมได้ธรรมะต่อไปนี้ห้ามเอาเอาอะไรมาเลี้ยงอีกแล้วนะคนก็ไม่เอาเข้ามานะคะก็คือไม่ว่าสัตว์หรือคนหมายถึงว่าพ่อก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมีเห็นไหมมันมีพาร์ละใช่ค่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาเมื่อเช้ากค่ะป้าตาลแล้วก็อคุณพ่อเขาจะตื่นเช้าหนู่ก็เลยลงมาประมาณทีสี่ทีห้า ลงมาเพื่อมาเป็นเพื่อนเผื่อคุณพ่อจะคุยคุณพ่อก็เลยคุยธรรมะด้วยค่ะอาจารย์คุณพ่อก็บอกว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนคุยแล้วก็ถกกันกับคุณพ่อเรื่องของพ่อบอกว่าพ่อไม่อยากเกิดพ่อบอกว่าเออพ่อไม่อยากเกิดพ่ต้องปฏิบัติธรรมนะอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าพ่อก็ปฏิบัติไม่ได้หรอก <l> <c oughs> คือไม่อยากเกิดเลยบอกพ่อว่าพอไม่อยากเกิดเฉยๆตะปากไม่ได้นะต้องปฏิบัติ ด, ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบคิดว่าเออเดี๋ยวเราลงมาตอนเช้านี่ยตื่นมาคุยกับคุณพ่อเรื่อยๆค่อยๆแ ย, ย, ย็บไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมีคําถามไหมวันนี้อ่าคําถามไม่มีค่ะพระาจารย์ไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์ก็เลยเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วค่ะอ่าสาวนค่ะขอไปที่ท่านต่อไปนะคุณบริคุณบริสฤๅษีจ่าที่ไหนแล้วยอมนะ กราบรัช ก, กาลพรอาจารย์นะคะไม่มีคําถามเจ้าคะคม่มีคำถามโอเคคุณสันสันทองเชิญคุณสันทอมอยู่ที่ไหนคุณสันทอมกลับรักกาลพระอาจารย์ครับไม่มีคําถามครับมาจากที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรสินครับผมกรสินนะโอเคครับนี่ก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมสาธุครับ Okay. หลือนานาวุเชิญจากกอธรรมรักับน้มัสการพระอาจารย์ครับนะมีคำจาก ย, ย์อะไรัหมอ๋อครับมีครับนะพอดีผมผมสังเกตผมเองครับว่าถ้าถ้าได้เวลาฟังธรรมเนี่ยจะทำให้อ่าใจสงบได้ง่ายครับแต่ ส, สมัยก่อนก็เหมือนจะพยายามฟังธรรมอยู่ตลอดแ ล, แล้วก็แล้วก็เวลานั่งสมาธิมันก็จะรวมได้ง่ายแต่ว่า ช่วงหนึ่งก <ines> ็รู <amp> ้สึกว่ามันไปทำเหมือนไปจับงานสองอย่างครับก็เลยคิดแล้วก็เหมือนจะไปพึ่งทำมาถึงจะถึงจะรวมได้ก็เลยคิดว้น่าจะต้องทําได้ตัวตัวเองเลยครับก็เลยพยายามพยายามจะพยายามมีสติตามดูแล้วก็มานั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลานั่งส่วนใญมันก็จะไม่ค่อยรวมเพราะมันก็จะไปวุ่นวายกับพวกนิบอนพวกทัชจักอะไรทั้งหลายอ่ะมันก่อนก็มานั่งอีกทีแต่ว่าฟังทำก่อน แล้วก็แล้วก็เหมือนจะให้ใจมันเจาะอยู่กับธรรมะแล้วก็สงบแล้วพอไปนั่งมันก็จะรวมได้ง่ายก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าควรจะปฏิบัติยังไงดีครับวิธีไหนที่ทําให้มันง่ายมันมันเข้าง่ายก็เอาวิธีนั้นไปก่อนต่อไปแเราก็อาจจะไม่ต้องฟังธนั่งไปเลยก็ได้ครับถ้านั่งแล้วยังเหมือนไม่มันมันไม่ยอมนิ่งมันก็ต้องกลับไปฟังรรมมันมันมันไปคิดนู่นคิดนี่ตามแต่ว่าถ้าเกิดฟังก่อนมันก็เหมือนจะ มันก็จะรวมไปอยู่จิตเดียวแล้วพอพอพอพอนั่งปบมันก็จะสงบได้ง่ายกว่าเวลาฟังนี่เราจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าไปคิดแล้วมันจะไม่เข้าใจใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมันก็ทําให้เราจดจ่อมีสติบางทีมันก็รวมไปตอนที่ฟังได้คครรัับบการฟังทําให้เสียหายเลยยิ่งสมัยพุกธคุตการนี่ฟังธรรมมารูธรรมได้กันเลยครับ แต่แตอนนั้นเหมือนกับเวรู้สึกก็เหมือนถ้าถ้าบางทีมันก็เลยเหมือนกค่ไปต้องไปติดกับกันแต่ตว่าก็ไม่มีเป็นข้อเสียใช่ไหมครับใช้วิธีให้มันให้ใหเข้าไ ป, ไปบ่อยๆให้รวมได้บ่อยๆ ม, มันเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เราเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาครับอ่นะบาการทมันได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาครับใช่ครับนั่นไม่เสียหายตรงไหนการทำนี่การทํานี้ถือว่าทางสายปฏิบัตินี้ท่านถือว่าเป็นอันดับแรกเลย พราะถ้าไม่ฟังทำนี่จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องฟังทำแล้วก็ปฏิบัติตามวิธีครับแทำได้แต่เวลาฟังอย่าไปทําอะไรอย่างอื่นเหมืคนบางคนคิดว่าทํางานไปฟังท ำ, ทำไปด้วยอันนี้มันจะได้ห้าสิบห้าสิบเพราะใจน้องแบ่งไปที่งานแล้วกลับมาที่ฟังครับอันนี้มัน อาจจะให้เราเต็มร้อยจากการทำ ท, ท, ท, ทํานต้องนั่งเฉยๆครับม้มำคำถามเนี่ยครับใช่ครับแต่ถ้าเราต่อไปเราถึงเวลานั่งเรานั่งปุ๊บมันสงบได้เลยก็ไม่ต้อ ง, องทบทําทําก็เป็นเหมือนตอนที่เราหัดไหว้น้ํำในมัมนเรจะต้องมีหวงยางใบเกาะเลยแล้วก็เราไหว้เป็นแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ห่วงยาง เขาบอยามันเกตกาดมันทําให้วายได้ไม่สฉลียวอันนี้ก็เป็นการที่เรายัางนั่งนั่งไม่ได้เพราะใจยังวอกแวกยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ว่าสายการฟังทำเครับ็ะแล้วก็นั่งต่อหลังจากฟังทำเสร็จมรู้ส่วนหนึ่งมันเป็นเขาอยวที่ที่บ้านที่ทํางานจะคุนวัยมาทั้งวันแล้ก็เลยํพนันที่เรลยมันก็เลยไป ตน<ม>ั้ที่เราปฏิบัตินี้มันไม่มีไม่มีไม่มีมมการบันทึกธรรมของครูบาอาจารย์หือสุดาหายากเพราะเราไม่รู้จักครูบ า, าอาจารย์ด้วยเราก็เลยายการสวดข้อสูวดสติปัฏฐานสวดเนี้ยสวดไปมันก็เหมือนฟังธรรมฟังของรพระอจารพุทธเจ้าเลยตัวสวดในใจในใจก็เหมือนเป็นการฟังธรรมแล้วสวดเสร็จก็นั่งต่อได้ อยังนั้นไม่ไม่เป็นครับดีครับงั้นก็ผมก็จะฟังก่อนแล้วก็ให้ให้มันได้สงบให้มันตามอยู่จิตเดียวนิดหนึงก่อนแล้วค่อยค่อยมาลงมันจะได้ง่ายขึ้นไม่มีฟังทำไม่มีอะไรฟางครลองท่องสติปัฏฐานสูตรดู่าเป็นภาษาไทยก็ได้ใครเข้าใจความหมายด้วยได้ครับได้ครับแต่รับไปปฏิบัติกับโอเคครับผมแต่อไปคุณสุทัศนีหมอสุทัศนี นะอุทุมใช่ไหมเอ๊ตัดผมสั้นน่นเลยจไม่ได้ผมเจา้าคขาอาจารย์ค่ะแสดงว่าก้าหน้าเรดูที่ผมเน่ะยิย่งสั้นแสด 10, งวนะ่าจิตยิ่งก้าหน้าอาจารย์ขา ว, วันนี้ลูกผมยอมสีนู่นสีนี้แสดน ว, ว่นถอยหลังนะไว้ <c oughs> ตามทีเลยวันนี้ลูกมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเจ้ า, าค่ะอ่าใช่ค่ะอ่าในการปฏิบัติสมาธิค่ะอาจารย์ค่ะมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า อ่ามีเฉพาะวิจตวิจารณแล้วเข้าสู่คับสรงเลยโดยไม่ผ่านพิิค่ะได้มันบางทีมันเร็วมันเข้าเร็วมันก็เลยทรวดกันไปมันตกล้มตกบอลบริการพูดโธอยู่ภาพเรียงวิจตวิชารกับพุทโธป๊บนึงมันงงไปเสืออุเบกขาเลยก็มีนีไม่จําเป็นว่าจะต้องผ่านทุกขั้นไปตามตำราบางทีมันก็ค่อยไปเป็นทีละขั้นทีละขั้นคไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็น ไม่ต้องไปไล่ตามตำราตำราไม่ได้เป็นตัวที่อถือลิขสิทธิ์ของการปฏิบัติการปฏิบัตินี้มันมีมันมีหลากหลายตํารานี้ไม่ไม่ครอบคุมทุกแนวทางของการปฏิบัติรูปเป็นแบบกลางกซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่ไม่ตามตำราร้อยตัดสินก็นเอแต่เป้าหมายก็ขอให้มันลองซูเบกขาให้ได้นิ่งสงบ อ่ข้อที่สองเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพอปฏิบัติไปเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะเริ่มเห็นอ่อเขาเรียกว่าปริยสัตติหรือเปล่าเจ้าคะก็คือเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราได้เร็วขึ้นพอเราเห็นพุกเนี่ยเราก็จะพิจนารณาเลยค่ะว่าอะไรทำให้เราทุกข์พอพอเราหาสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได้แล้วรูปก็จะใช้มากหรือว่าปัญญาในการที่จะลความทุกข์ พอพิจารณาไปพิจารณากลับไปกลับมาสักพักหนึ่งเนี่ยความทุกข์มันมันดับเลยเจ้าค่ะพอดับปุ๊บแล้วจิตมันโล่งเบาสบายมากเลยเจ้าค่ะเปลี่ยนจากความทุกข์ใจในขณะนั้นเป็นความเป็นจิตจิตที่มันเจ้าค่ะนั่นถูกต้องเลยนะการทำลายคาริยาศักดิ์สิมันเป็นเหมือนคู่ต่อสู้กันมวยมวยที่ก่อเหตุแล้วก็มวยที่มาแก้ค่ะระบทไทยกับทุกเนี่เป็นตัวก่อ สมุไทไพรเป็นตัวปลอบความทุกข์มักเข้ามามาดับสมุนไพรเพื่อให้เกิดนิโรธเกิดการดับทุกข์ขึ้นม า, านแล้วมันับนมันดับเป็นเรื่องๆไปนะไม่ใช่มันจะดับทีทั้งหมดเลยเข้าใจเจ้าค่ะวันนั้นาหานึกถึงพระคุณของพระพุทธธรําประสงค์เลยเจ้าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าปัญญามันดับทุกได้เร็วมากเลยเลยเจ้าค่ะเร็วมากกว่าที่ทำแล้วก็ได้ ถ้าปุณของพระพุพะทธธรรมวสังนี้เนื่อง เ, เชื่อเราวพระพุพะทธธรรมวสันี้ไม่ได้เป็นของของหลอกไม่ได้เป็นคนแต่งขึ้นมาเป็นขอ ง, ของจริงระปสามารถเชื่อถือได้ยึดพระพุทธธรรมวสัเป็นอาจารย์ที่จะสอนเราให้ไปสู่การหลดท้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้แล้วก็ปฏิบัติต่อไป ดูจิตแล้ดูดูดูสองคู่เนี่ยต่อยกันดูทุกกับสมุทยัยส่อยกับมากกว่เ น, นี้เราบางเรื่องเราก็บางเรื่องเรามีปัญญาเห็นความทุกข์แต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถละได้เจ้าค่ะเห็นทุกข์เห็นสมุทยัยแต่ว่าปัญญามันไม่ทันก็มีเจ้าค่ะหรือว่าอุบเบกขาไ ม, ม่กำลังไม่มากพอขนาดต้องต้องเข้าสมาธิบ่อยๆด้วยยาอยี่ยเจริญปัญญาเพียงอย่างเดียวสลับกัน ชั้นหนึ่งทำมส ม, มำาธิช่วยมาออกมาเจริญปัญญาดูเฝ้าดูจิตว่ามันกําลังจะผลิตความทุกข์ขึ้นมาแล้วปล่าก็ค่ะอคตอนนี้อุบายในการทําความเพียรของลูกก็คือการฟทํารรมขอ ง, ขอ ง, ขอ ง, ของพ่อแม่ครูอาจารย์ค่ะได้ได้ฟังการปฏิบัติของท่านแล้วทาให้เรารู้สึกมีกําลังใจในการที่จะต่อสู้กับความขี้เกียจตอนนี้ตอนนี้คนล้ะเขาคืนหนังสือม่นงยงใจเอาหนงสืมาด้วย ทำงได้ลองติดต่อจากลุงลาดูเ่ะอันนี้เป็นเป็นเหมือนคำภีของป้าปฏิบัติเ้าค่ะอ่าไปทั้งทั้งเล่มอย่างไวเล่มนาบเพิ่เลยอย่านีาจรจะสอนวิธีปฏิบัติอย่างละเอียดเนาะอาจารย์คะอีกคำถามหนึ่งค่ะเอ่อปัญหาของลูกตอนนี้น่าจะอยู่ที่อ่า การปล่อยวางร่างกายกับการอกับความผัดผ้าเจ้าค่ะเราจะมีแนวทางอย่างไรในการที่จะพิจารณาปล่อยปล่อยวางร่างกายแล้วก็พิจารณาความผัดผ้าแล้วปล่อยแล้วปล่อยวางได้จริงจากความรู้ของเราจริงไม่ใช่สัญญาเจ้าค่ะเบื้องตอน้นก็มาสอนใจหรือเรียว่านั่งกายนี้มันต้องตายมันต้องจากออกไปวันใดวันหนึ่ไม่มีทางที่จะต่อรองได้อันนี้คือความจริง แต่เราไม่ได้เป็นร่างกายทนนนเองเราเป็นจิตผู้มาครอบครองร่างกายแยกจิตด้วยเบคคาให้ได้ทำอยเบคาแล้วร่างกายเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปถ้าป้องกันมันได้ปกป้องมันได้ก็ปกป้องไปถ้ามันเหลือวิสัยที่จะทำอะไรกับมันได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพของมันถ้าเราคิดว่าเรามีกำลังพอเราก็อาจจะต้องไป เอาร่างกายไปอยู่ในที่ที่อาจจะคิดว่ามีภัยกับร่างกายเป็นไปอยู่ในป่าหร อ, อะไรที่มีเสือมีสัตว์มีเสือมีอะไรที่อจจะมาทําร้ายหน้งกายได้นั่นดูช่ว่าใจเราเชื่อได้หรือเปล่าปล่อยได้หรือเปล่าหือถ้าใจกลักวกลักวกลัวตายกลัวนักนแสดงว่ายังไม่ปล่อยถ้าจิตมันกลัวนะขณะนั้นเรามีวิธีปฏิบัติต่อวความกลัวอย่างไรเจ้าค่ะ ถ้าถ้าเรากลัวเบื้องต้นก็หยุดใช้ด้วยพุทธโธไปก่อนไปเลยหรือถ้ารับลงนั่งรับลงนอะยอมตายฮะมาถึงเวลามันจะต้องตายก็ให้มันตายไปค่ะมันนี้ไม่พ้นการตายนี้ไม่มีใครหนีพ้น่านพระท่าจากกันนี้ไม่มีใครหนีพ้นอันนี้เบื้องตอนจะต้องสอนใจให้ให้จดให้จําไว้ แล้วคิดว่าความที่จะไปทดสอบจิตใจก็ลองไปหาที่มันรหวาดหน้าหวัดกลัวดู เ, เ, เรามีอยู่ท่านที่ปฏิบัติธรรมบนเขาา ด, าด้นะครับทานคุณลาดูก็ไม่ถึงกับน้ากลัวร้อยปร์เซ็นใดมันก็ดีไปอยู่บ้านเรามันอยู่ในอ ย, อยู่ในป่าเป็นบ้านเดียวเดียๆอยู่คนเดียวแต่ปลอดภัยที่นั่นมี เจ้หน้าที่เขามีเขตะมีเขตมีจ้ามืที่มียามอะไรกันไม่คนข้างน อ, อกเข้าไปถ้าพร้อมถ้าพร้อมเดี๋ยวจะพิสูจน์ดูว่ า, ายอมรับความจริงไม่ว่ามันไม่เใช่โดยเราของเรามันมาจากดินหน้าลงไฟเดียมันก็ต้องย่อยทลายกับดดไปไปขบึ้นส่วนดินหน้าลงไฟไปค่ะอาจารย์ค่ะลูกกราบขอบพระคุณพอาจารยา์อย่างสุงเจ้าค่ะอเค เมตตาสั่งสองทำมาดูจะหนอดจ้าค่ะโอเคไปที่ท่านต่อไปนะคุณมาเรียได้ขึ้นมาลนใสหน้ากากแล้วนยังใสให้ยังหา ย, ยังไม่หายเลยคุณมาเรียนูนูออกจากโรงพยาบาลมาแล้วค่ะกลับมาบ้านแล้วค่ะค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องขังตัวเอง อ, อีกสิบสี่วันค่ะหลวงพ่อดูภาพดูภาพปลอดภัยค่ ะ, คะว่าเชื่อมันหมดนะค่ะ มันมันยังมีเอฟเฟกอยู่บ้างค่ะหลวงพ่ อ, อ, อแต่ว่าวันเนี้ยรู้สึกว่าดีดีขึ้นเยอะแล้วคะ่ะแต่แต่มันมันรู้สึกว่าอยู่ๆมันก็ทุกขึ้นมาเมื่อวานเนี้ยหลวงพ่อค่ะทุกขึ้นมาแบบเหมือนแบบเครียดอะไรเงี้ยค่ะว่าเราก็ป่วยงานก็ไปทําไม่ได้ก็คือแบบเมื่อวานรู้สึกเครียดแล้วอยู่ๆมันก็เหมือนคิดขึ้นมาได้ค่ะหลวงพ่อว่า เราห้ามมันไม่ได้นะไอป้ป่วยไอ้ไข่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็ปล่อยกับมันปล่อยมันไปจะอยู่กับทุกก็ทุกไปอะไรเงี้ยหลวงพ่อพอมันคิดได้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นปัญญาไหมคะหลวงพ่อถ้าทุกข์หายก็เป็นปัญญาพอพอคิดได้อย่างเงี้ยพวกหนูก็ขึ้นไปข้างบนไปคุยกับพระเสร็จแล้วหนูก็นั่งปฏิบัติมันมันรู้สึกว่ามัน มันดีมากมายแล้วร่างกายก็ไม่ได้มาเป็นอุปสรรคอะไรเลยค่ะหลวงพ่ อ, พอหนูก็ทําจนถึงเที่ยงคืนกว่าค่ะเมื่อคืนนี้ยรู้สึกว่ามันมันดีมากมายอะค่ะหลวงพ่ อ, พอแล้วทีเนี้ยพออยากอยากจะกลับเข้าไปอีกมันก็เหมือนมันมันหมดแล้วอะค่ะหลวงพ่ อ, พอมันก็ไม่ต้องกลับถ้าเราไม่ทุกข์ไว่ต้องกลับอยู่ข้างนอกก็ได้มันทุกนี้มีถ้ามันมีทุกข์กเพียงค่อยเข้าลงไปบ่ายเข้าไปรักษา เวไม่ทุกข์ก็อยู่ตามปกติมีสติก็ยควบ ค, คุมใจอย่าให้มันผลิตความทุกขขึ้นมาถ้ามันผลิตก็ต้องใช้ปัญญาแก้ต่อไปมันอาจจะไปทุกข์เรื่องหน่งในเรื่องนี้มันอาจจะไม่ถูกขาแล้วก็ไะไปทุกข์เรื่องนึ่งก็ต้องแก้แบบเดียวกันไปแล้ ว, แ ล, วแล้วพอวันเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูฟังเทศหลวงพ่อเสร็จนะ่ะใจมันก็คิดอีกว่าแล้วมันจะดีแบบเมื่อคืนไหมอะไรเงี้ยมันใจมันเมื่อคืนนี้ค่ะเมืคืนนี้เป็นคนละเรื่องนะ เราก็เราก็ทําพราะเมื่อคืนนี่มันมีปัญหาใช่ไหม<ช>เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิเมื่อคืนนี้เห็นไหมแ ต, แต่คืนนี้ไม่มีปัญหาก็ต้องใช้พูดถอพูดถอยก็ดูไปครับ่ะหลวงพ่อมันไม่เหมือนกันทุกวานการปฏิบัติเนี่ยไปจำ อ, อ, อย่าหปลองค่าแม่มันเหมือนกันเมื่อวานที่เป็นอย่างนี้วันนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ดูสภาพการเป็นจริงเหมือนขับรถอ่ะเมื่อวานนี้รถ ไม่มีเต็มวันนี้ลดเต็มนี้มันก็ต้องปรับใจให้เข้ากับสภาพบ้าจริงต้องตั้งแต่นหนูกลับออกมามันมันปฏิบัติได้ถึงแค่ตอนที่ว่ามันกําลังจะเข้าไปช่วงที่กําลังเหมือนตกกลุม่มตกบ่อเงี้ยค่ะหลงพ้อใจมันเลิ <c oughs> แล้วมันก็ไปเข้าไม่ได้เงี้ยค่ะหลายวันจนมาเมื่อคืน <c oughs> มันก็เลยมีมีทุกเสร็จแล้วพอคิดได้ก็ขึ้นไปทํามันก็แบบ ย า, ยาวไปเลยท่า น, นึงบอกว่าทุกบ่มีปัญญาบอกเกิดบ่มีทุกปั๊บจะวิธีดับทุกคนต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตาแล้วเห็นว่าเป็นอนัสตาไปได้นะครับปล่อยได้ค่ะแล้วแล้วพอวันนี้ก่อนมาฟังช่วงเที่ยงบ่ายเงี่ยหนูก็กลับไปฟังเทปฟังธรรมะของหลวงพ่อก็สอนสอนเรื่องว่าเหมือนกุญแจที่จะไป แบบนี้ค่ะเพราะว่าหลวงพ่อก็จะเทศซ้ําเรื่องทุกสมุนไพรนี้โลนอะไรเงี้ยมันมันเหมือนพอย้ำย้ำเข้าไปเยอะเยอะมันก็ทําให้เรารู้สึกเออใช่ที่หลวงพ่อสอนอะ่ะคือใช่เลยก็พยายามที่จะปฏิบัติตามค่ะหลวงพ่อถึงถึงจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เข้าไปเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็พยายามทําอยู่ก็ก็เข้าใจที่หลวงพ่อสอนทุกอย่างแต่ว่าบางทีมันก็ไปไม่ถึงบางทีมันมั น, ม, นมันถึงแล้วแต่ว่า มันก็ยังเหมือนแบบเออทําไมวันนี้เราจะได้ต่อไหมอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อถ้าอยากจะให้มันเหมือนเมื่อวานนี้ก็ต้องดังนั้มันเจ็บนะนั่นมันก็ได้มีความทุกข์ขึ้นจะได้ใช้ปัญญาปฏิบัติกับความเจ็บนะมันก็แบบเดียวกันค่ะหลวงพ่อใช่ไแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันไม่มีก็เพ่งแต่ดูงงไป้นะปฏิบัติแบบสบายๆดูงงไป แล้วพอนั่งไปนานๆเท่าไหร่มันเจ็บขึ้นมาถ้ายังไม่อยากจะลบอยากจะซว่ความเจ็บก็เนี้ยเหมือนก็เหมือกับเมื่อคืนนี้ยตัว น, นี้ก็ก็ทุกกับความเจ็บไข้ได้ปวดวมื น, นี้ก็ใช่มันทุกกับความเจ็บจริงๆนพรนั่นอย่งทุกความเจ็บยังไม่เกิดอันนี้ความเจ็บเกิดขึ้นแล้วดูซิว่าเมื่อคืนนี้เราปล่อยได้คืนนี้เราเจอของจริงเราปล่อยได้เปล่าค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วช่วงที่มันนิ่ ง, งนะค่ะหลวงพ่อ ก็รู้สึกตัวตลอดคือรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันแบบเหมือนมันหยุดทุกอย่างหยุดนิ่งไปหมดเลยค่ะหลงพ่อแล้วก็เงียบไปเลยแต่ว่ารู้สึกว่งเมงจิตไเวงว่างใช่ค่ะหลวงพ่อสงบสนิทเวลาปล่อยวางร่างกายได้มันสงบสนิทคือคือตอนที่หนูจะไปนั่งอ่ะหนูก็นึกถึงที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาไปนั่งเนี่ยเราเราต้องการความสงบ ให้สติให้สหมองเนี่ยมันหยุดความคิดไปแล้วก็ให้ปล่อยวางร่างกายอย่างเนี้ยค่ะหลวงพอ่อ ม, มันก็เลยพอคิดอย่างนี้แล้วเวลานั่งปฏิบัติเนี่ยมันมันรู้สึกดีมากมายค่ะหลวงพอ่อทําไปเรื่อยๆกัแล้วกันนะทดสอบจิตใจไปเรื่อยๆจนมีความมั่นใจว่าไม่มีความหวาดกลัวกับเรื่องความเป็นความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายสบายแล้วลเป็นต่อเนะี่ยค่ะ ค่ะหนูจะพยายามทำต่อไปค่ะหลวงพ่อช่วงที่ติดโควิดโรงพยาบาลเปง่ายจิตวุ่นวายไหมหรือว่าป้อคุมได้ไม่ไม่วุ่นวายค่ะหลวงพ่อเพียงแต่ว่ามันมันมีความคิดที่ว่าช่วงที่เรานอนที่เตียงในห้องอ่ะคะ่ะมัน มันมีความรู้สึกเห็นว่ากายเนี้ยกำลังเหมือนวิ่งเข้าไปหาความตายนะแล้วก็ถามว่าใจตัวเองทุกไหมอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็รู้สึกว่าไม่ได้ไปทุรนทุลาลคือไม่ได้ไม่ได้ไปแบบกังวลอะไรมากมายค่ะหลวงพ่อแล้วก็อยู่อยู่ได้จนกระทั่งหมอเขาให้ออกมาค่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรค่ะหลวงพ่อแต่ว่าแต่ว่ามัน มันมีช่วงที่พอหนูไปนั่งสมาธิที่หนูบอกหลวงพ่อว่าอยู่ๆกําลังจะดีอยู่ๆไอ้ไอ้ความป่วยของกายค่ะหลวงพ่อมันมันเกิดอาเจียนขึ้นมาแล้วมันก็ไออะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไปไปทําธุระไปอ้วกอะไรเงี้ยแล้วมันก็พอพอมันนึกถึงอาหารเนี่ยมันมันมันไม่อยากกินอาหารค่ะหลวงพ่อที่หนูบอกหลวงพ่อค่ะแล้วก็กลับมาทําต่อแล้วบางทีมันมันไม่ไหวจริงๆหนูก็หยุดแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ ให้ภาวนาไปให้ให้ฝึกสติไปก่อนถ้ามันไม่ได้เนี่หลวงพ่อหนูก็ทําทํามาตลอดนะคะหลวงพ่อเีก็ทําต่อไปนะสติปัญญาสองตัวนี้เป็นตัวที่จะพาเราไปสู่การหลุพ้นจากอามทุกข์ทั้งหมดค่ะหลวงพ่อแต่ช่วงที่ป่วยอะหนูก็จะขาดขั้นที่หนึ่งไวคือทานนะคะบังหลวงพ่อแต่ว่ า, าไม่ต้องกังวลแล้วทาภาวนาอยู่ในการ นานะเรื่องทานนี้ตัดไปได้ไม่เกี่ยวนะ ม, นมันเข้าสู่สงครามแล้วไม่ทํองอากังวลกับไปกับทาบุทำทา น, นมาอยู่ในสงครามนี้ก็ต้องคอยสู้กับข้าศึกษตัตรวที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้กับเราความหลงข่องคือก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้กลัวตายค่ะเพราะว่า ในในใจมันคิดอยู่ตลอดว่ากําลังเดินเข้าหาความตายตลอดอย่างเงี้ยค่ ะ, ลละหลวงพ่อแล้วก็เห็นกายค่ะหลวงพ่ อ, อ ด, อดีดีมากวันนี้หนูก็มีแค่เนี้ยค่ะลหลวงพ่อ <Okay. S 2> อขอบพรคุณลหลวงพ่อค่ะจะได้ตอบคําถามบางคนที่เขาถามทําไงให้เราไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการรัก้างจากกันต้องยอมรับความจริงใช่ะหมใช่ค่ะลหลวงพ่อเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ไปเครียด แต่ว่ามันก็มีอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะคือพขพอกลับมาบ้านแล้วมันไปทํางานไม่ได้อ่ะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ออกไปหาอาหารคนเขาก็กลัวเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกขึ้นมาแล้วอยู่ๆมันก็เหมือนมีอะไรมาตัดชุดขาดไปแล้วเราก็ขึ้นไปปฏิบัติมันก็เลยรอดลอดไปได้เมื่อวานเนี้ยค่ะหลวงพ่อดีได้ปัญญาค่ะหลวงพ่อโอเคแต่ขอบคุณหลวงพ่อค่ะ okay. คุณชนะ ด, ดาะนี่ยชะดาช่ไมคุณชน ด, ดาอยู่ที่ไหนเอ่ยพูดได้แล้วเสียงไม่มาเลยคุณชนะดานมัสกัรค่ะหลวงปูมาแล้วอยู่ที่ไหนอยู่สมุทรปาการค่ะเมนูเมนูพวกนี้พวกนี้มีอะไรรู้เปล่าพว น, น, น, นี้มีค่ะพวงนี้หนูสั่งอะไรนะหนูจาไม่ได้ไม่เป็นไร จำไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่กลัวเขาจะบอกมีผลไม้อะค่ะอย่างหนึ่งแต่อาหารอยู่ดีๆจําไม่ได้พอดีเมื่อกี้นั่งสมาธิด้วยเลยไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้นึกถึงอะค่ะก็เลยแล้วค่ะเดี๋ยวถึงเวลากลุ้ยค่ะก็พอดีกรอบนี้ใช้ไอโพสัญญาณน่าจะดีกว่าครั้งที่แล้วคะ่ะใช้แล้วดีนะค่ะครั้งที่เราไม่ดีเลยพอมาฟังย้อนหลังเราก็เลยไม่ดีเลยเสียงไม่ดีเลยค่ะ ค่ะก็รับรับนี้เนี่ยยมรู้สึกว่าคือวางใจกับอะไรไปได้หลายหลอย่างอะคะ่ะแล้วก็เวลาเจออะไรที่ไม่ดีหรือพอดีมีญาติที่เคารพเสียอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ไม่เสียใจเลยไม่ได้เสียใจเล ย, เ ย, เลยแล้วก็พอดีแล้วเวลาเจออะไรที่โชคดีมันก็เริ่มสึกไม่ได้ดีใจ ไม่ได้ดีใจมันเฉยๆอะค่ะพระจาย์เหมือนกับเหมือนกับว่าอะไรมาก็ได้อะไรไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มีส่วนมาทําให้เราสุขขึ้นหรือเปล่าขึ้นค่ะแต่แต่อาจจะรู้สึกว่าโอเคโชคดียังเออรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเหมือนโชคดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรอ่ะค่ะค่ะแล้วก็ในเออ่ล่าสุด ก็เลยต้องฉีดวัคซีนตอนแรกตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ฉีด่ะคะ<ม>่ะจะรอก็ดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะบังเอิญว่าครอบครอบครัวได้ให้ฉีดอะไรเง<ม>ี้ยก็เลยเขาให้จัดสรรมาให้ฉีดก็เลยต้องไปฉีดนะคะพระอาจารย์ฉีดแตจะได้ช่วยกันเพราะถ้าไม่ฉีดเราจะเป็นตัวที่จะเพาเชื้อแปรแปรเชื้อได้เวลาเชื้อมันเข้าหน้างกายแล้วแต่ถ้าเรามีวัคซีนแล้วมันจะไม่แปรพันมันไม่กลายกลายคันธค่ะ แล้วพอกลับมามันก็มี side effect ค่อนข้างรุนแรงอะคะ่ะตอนกลางคืนคือไข้ไข้แรงมากก็คือต้องห่มผ้าสามชั้นนะคะพระจาร์ไ mm hmm. ข้สูงมากแล้วก็ปวดหัวรุนแรงมากเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็เแต่ก็พยายามที่จะดูอาการตัวเองนะคะพยายามที่จะดูอาการตัวเองว่าว่าจะดูซิว่าเราจะจะไปได้ขนาดไหนอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะก็ก็ดูไปก็เห็นความเห็นร่างกายว่ามันมีอาการเป็นไปอะไรเงี้ยค่ะ แต่ใจมันก็พอได้อยู่พอสักพักพอพอเรามีสติมันก็รู้ได้ขึ้นมาเองว่ามันจะต้องลุกขึ้นมาดื่มน้าน้าอุ่นเยอะๆก็เลยว่าลุกขึ้นมาดื่มน้าอุ่นเยอะๆปรากฏว่าร่างกายมันก็มีปฏิกิริยาที่ดีขึ้นหมายถึงว่ามันตอบสนองแล้วมันมันดีอาการมันดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเออแต่จริงๆเป็นถึงเช้าเลยนะคะแต่ก็พอ ก็ใช้น้ําอุ่นก็ทุเลาได้ไม่ต้องไปแอดมิตที่โรงพยาบาลนะคะเพราะปกติที่เคยมีอาการแบบนี้ยมันจะต้องไปแอดมิตที่โรงพยาบาลนะคะ mm hmm. อาจารย์เมืนอถ้าเราทําให้ร่างกายเราร้อนได้ทําให้เหงื่อแตกไ ด, ได้นี่มันจะไข้มันจะลดลงค่ะแล้วก็ต้องขับน้ําออกดื mm hmm. ่มน้ํา mm hmm. เข้าไปเยอะแล้วขับค่ะดื่มน้ําอุ่นนะคะจะดี mm hmm. ที่สุดเลยนะคะ่ะ mm hmm. ค่ะแล้วก็เลยก็เลยเอ่อจริงๆก็ และลึกถึงพระอาจารย์ด้วยค่ะอยากเข้ามากราบแล้วจริงก็ยังไม่ได้มีคำถามอะไรมากค่ะ<ม>แต่รู้สึกว่าใจมันเบาลงไปเยอะค่ะพระอาจารย์เริ่ ม, มเริ่มค่ะเริ่มรู้สึกเฉยเใช้สติใช้คุณญาสอนใจให้วนันเฉยค่ะก็หนูก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะไปที่คุณสดลนทอนต่ออยาก U S A แม้เวลาไปวอชิงตันดีซีนวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้โยมไม่มีอะไรอะค่ะเพราะว่ามีคำถามแต่ว่าท่านถามไปแล้วโยมก็เลยเพราะว่าโยมรู้สึกว่าคือที่นี่ทุกอย่างเริ่มกลับไปเป็นปกติแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วโยมก็ต้องเดินทางไปไหนตอนไหนเพื่อไปทำงานมันก็จะมีเรื่องที่จะเข้ามาวุ่นวายใจมากขึ้นในขณะที่โยมก็พยายามปฏิบัติแต่รู้สึกว่า จำนวนชั่วโมงเท่าเดิมนี่มันไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะได้อะค่ะ<พ>อาจารย์คือเราล้ามจาวไม่ได้นะมันล้ามาวไ ม, ไม่ได้เลยมไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนนั้นเหมือนไม่มีอะไรให้กังวลใจรู้แต่ว่าไปไหนก็ไม่ได้ฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมดีที่สุดแต่พอตอนนี้มันมีเรื่องคนนั้นคนโน้นคนนี้เข้ามาเรื่องการงานการถูกบังคับจะต้องเดินทางแล้วมันก็ความอยา่าไปทุ่ม ก, ก็ไมแล้วนะทำไปตามหน้าที่ค่ะพระอาจารย์ เสียงหายไปเลยเสียงชา ห, หายไปโยมหายไปไหนเนาะกาารู้พูดได้ไปเลยพูดต่อไปได้วัวแล้วเลยรู้สึกภาพหายไปด้วยเห็นไปที่คนตัาง ว, าางวา่าอะไรต่อนล้วร่งว่าอะไรอยากิีราชาค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อสู้กับความอยากของพนักงานค่อนข้างเยอะเจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเยียวยาของประกันสังคมที่ยังไม่ได้หรือวัคซีนที่ยังไม่ได้เจ้าหักแล้วก็พนัก ง, งานเขาก็เอาเราไปตําหนิในเฟซบุ o กทีนี้นิยมใช้วิธีการที่พอรู้ว่าพนัก ง, งานตำหนิเราเราก็เชิญเข้ามาคุยเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาเลยกรณีแบบนี้เนี่ยนิยมนิยมไม่ได้เคลียดและไม่ได้มีความทุกข์แต่นิยมรู้สึกว่าถ้าเขาอยากเขาอยากให้เราทําเหมือนที่เขาเขาเขาตามความอยาก เราก็ตอบสนองเขาเพื่อให้เขาเข้าใจมากขึ้นอันนี้นถือว่าเป็นการเมตตาเพื่อนพนัก ง, งานด้วยไหมเจ้าคะ่ะก็ใช่เพราะเราต้องการช่วยเหลือเขาอซึ่งในขณะเดียวกันคือเขาก็มีความความโกรธแค้นเราว่าทำไมเราไม่ทำเราจะ ไ, ไปโกรธตอบ้าวัและหน่อยก็โกรธไป <lim> ไเราให้ขเขา ค่ะได้คนะ่ะอาจจะมีนิดนึงแต่ว่าพอเราเข้าใจเขาว่าอ๋อเพราเขาอยากได้เงินเขาอยากได้วัคซ<ม>ีนก็ก็ก็เลยหยุดหยุดโปรดเจค่ะช่วยก็ได้ก็ช่วยไปช่วยไม่ได้ก็ก็เฉยเฉยไปส่วนวันจันทร์จะว่าไรก็ห้ามเขาไม่ได้ใช่เจ้าค่ะบอกลูกน้องในออฟฟิศเหมือนกันเจ้าค่ะว่าไม่ต้องไปโกรธเขาเรามีหน้าที่สื่อสารให้มากที่สุดน็ทำไดของการปฏิบัติไงเจ้าค่ะในเราวนี้มีทั้ง ส, สารนักเส์มีทั้งยินทา เรากระทำตามที่พระอาจารย์บอกวันนี้เช่นเดียวกันค่ะทุกบ่อมีบารมีบ่เกิดแล้วค่ะมีกันบ้างแค่นี้ครัจะพยายามทำตบอทำต่อนะอคุณนักพรคุณนักขินนะนากขินคุณนัคขินอยู่ที่ไหน้าจารยอาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินผมไหมครับได้ยินชัดเจนครับผมที่สมคาครับ คำถามครับมีคำถามอะไรไหมเอ่อคำถามในเรื่องของการสภาวะจัดการปฏิบัติเหมืกันครับมากไปผมพึ่งผ่านอุปทานมาที่ติดอยู่ประมาณสองเดือนครับเป็นตัวที่แบบว่าเวลาผมนั่งแล้วหัวผมจะขมาลงพืนนครับอาจารผมพึ่งผ่านออกมาได้ก็ต่อยังงั้นครับได้นะครับมันไม่มีสติหัวมันก็เลยขมำ ครับ อ, อจะบอกว่าไม่มีสติไหมก็ผมก็สําหรับในส่วนตัวคิดว่ามีสติ ด, นะดูดูสภาวะก็ก็ปล่อยสภาวะลงไปครับไม่มีสติมันเรียกมวไม่ขมังตอนนี้คุณมีสติว่าคุณขมังว่ะโอเคขมังไปใช่ไหแต่เวลาคุณสับสนบอกเนี่ยผมมันก็ขมังครับครับ อ, อตอนเนี้เนี่ยเหมือนเวลาช่วงนอนนอนเนี่ยฮะ คล้ายๆว่ามันดิ่งเข้าสมาธิครับอาจารได้เวลาจิตมันจะหลับบางทีมันก็มันก็เหมือนดิ่งเข้าสมาธิไปการมันเป็นสมาธิหลับไม่ใช่สมาธิแบบตืนมันไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญมันไม่ได้เป็นสมาธิแบบ ท, ที่เราต้องการมันต้องดิ่งตอนที่เรานั่งแล้วเรามันสติรู้ตัวตลอดเวลาแล้วไม่หลับไปกับัน มันก็ในด้านของการปฏิบัติเนี่ยผมใช้ผมทิ้งคำบริกรรมไปประมาณสองสามเดือนละผมใช้วิธีการดูลมหายใจว่าส่วนไหนชัดเจนแล้วก็มันจะจับลงไปอยู่ที่บริเวณท้องอาจารย์แล้วพอ <c oughs> พอเข้าที่สมาธิแล้วมันเหมือนกับว่าอยู่ในสภาพว่าของความว่างะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไรต่อจริงก็กลักลับมาดูที่ฐานกายวิปลาด้ <c oughs> ่อยู่กับความว่างไปรักษาค <c oughs> วามว่างให้มันว่างไปนาน อย่าให้มันชิดตรุงแต่งขึ้นมาครับนานๆให้นานๆาาพอมันว่างมันสงบแล้วก็พยายามรักษาแล้วมันอยู่ไปนานๆครับตอนนี้เฉลี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอ่าอ่าควรเพียงต่อเพิ่มขึ้นนะครับ อ, อถ้าเพียงได้ก็เพียงต่อไปให้มันนานไปเรื่อยๆถ้ามันจะออกก็ลองใช้สติหยุดมันครับดูลงต่อก็ได้แล้มันจออับเข้าไปใหม่ครับผมอ่าตัวครับ โอเคไม่ใหคุณถามลคะครับมไม่ต้องยันนะครับถึงอเมื่อกี้เห็นคุณกาแฟเข้ามาหายไปแล้ว อ, อยู่นี้คุณกาแฟอ่าได้ส่งปัจจัยมาทําุญแล้วใช่ไหมคุณกาแฟจำไม่ได้บางทีลืมไปแล้วอ่ายังไม่เปิดไมค์เลยคะได้แล้วครับส่งส่งมาแล้วครับเอ่าแผ่เมตตาให้ด้วยครับโ okay. อเคเท ว, า ด, วดาช่วยทํางานนะครับเอ่าก็ก็ มีปัญหาเรื่องงานนะครับเรื่องงานก็เกี่ยวกับอารมณ์อะครับอารมณ์ทีนี้เราก็อาจจะโมโหไปบ้างเพราะแบบคือมันไม่ได้เหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ได้ดั่งใจอะครับก็คือเราต้องรับผิดชอบงานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทีนี้มันก็เลยเครียดครับพลังก็เลยหมดครับก็รับไปเรลยรับผิดชอบไปทำไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเหมือนอย่าไป น, น้องไปเครียดกัน ก็เป็นคนชอบเครียดชอบแต่งงานเพราะความเครียดเพราะความอยากเออยากแล้วไม่ได้ก็เลยเครียดขึ้นะถูกไมละบางบางทีมันยากขึ้นเรื่อยๆครับยากขึ้นเรื่อยๆมันยากก็ก็ก็ก็มีวิธีครับมีทางออกครับผมก็คือกลับมาที่ตัวเองเพราะว่าพอสมใจไปออกนอกจะเยอะองเงี้ยพลังเราก็เลยหมดก็ต้องดึงเข้ามาที่ตัวเองครับผมครับ ครับเรื่องเไม่มีอะไร้วม่มีอะไรแล้วครับครับไปที่คุณจอยก่บคุณจอยที่ประทุมเนี่ยนอนทำบุรีนอนทำบุรีค่ะยังไงลูกชายหลับแล้วเลยยังไม่หลับค่ะมาดูการ์ตูนอยู่ค่ะพ่อจ้าค่ะเออสองงินมาทําบุญะมั่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะหนูก็แม่ส่งไปทํำเงินผ่าค่ะผ่าศพค่ะหนูหนูหนูปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่ามันในในใจเราอะ่ะมันเหมือนมีสองมันมีสองสองอันเหมือนเถียงกันแบบอีกใจนึงก็รู้ดีแต่อีกใจหนึ่งก็รู้แบบในสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้มันฝ่ายกุศลยา ก, กุศลต่อซึ่งห<า>นึ่งระหางกุศลกับบาปกุศลระหว่างบุญกับบาปมันเป็นต่อซึ่งกัน แล้ว เ, เราควรจะแบบทำยังไงต่อฟุณเลแล้วก็ทําตามฝ่ายคุณไม่มาแล้วก็ไม่ทําตามแล้วแล้วเราด่ามาหรือว่าดุมันได้ไหมถ้าดาดใันใจได้ถ้ามึม่หามึงา <c oughs> ใช่ค่ะถ้ามึงทให้มันสะใจก็ดาได้แล้วหยุดได้ก็ไม่ไมดา่าระยะออกเสียงไม่ดา่าคนหนึ่งก็แล้วกัน <c oughs> ไม่ดา่าคนอื<ๆ>่น <c oughs> แต่บางทีมันทําไมเราคิดดีแล้วอีกใจหนึ่งก็อบแบบย้อนแย้งแต่แบบ ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมให้มันช่วยบันเทาไปอ่ะค่ะก็อย่าไปทําตามมันนั้งนั้นมันจะมาะยุโยงอย่ารออะไรงไงขาวหวานมันยุ่ไปอย่าไปเรอข้าพุทพโธพุทโธไปค่ะพอรู้สติก็มาพุทโธแต่พอมันก็ชอบเผลอไปแล้วก็กลับมาพุทโธแบบทั้งวันดีมันต้องมีตัวมากระตัวนี้บางทีมันขี้เกียจพุทโธ เรามีปัญหาเราต้องคิดถึงพุทธัวคือ เ, เหมือนแต่เราเหมือนแต่ละวันเราจะต้องมีเรื่องราวเข้ามาให้เราได้ได้ได้รู้ได้ได้รู้ว่าเราอยากอยู่หรือเปล่าตลอดเลยนะตอนนี้ใช่เราก็จะได้รู้ว่าถ้ายังมีอยู่เราก็ต้องฝืนละมันละด้วยปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเปนทุกข์นะมันไม่เที่ยงก็คิดคุมบัมันไม่ได้ ก็มีมีห้องโอคอันนี้ได้ฉีดยาแล้วเรือยังตงไปแล้วค่ะตรงไปแล้วยังไม่ได้ฉีดประมาณหกหมื่นคนนะคะโอ้โห้องะรอไปรอไปเรื่อยๆรออีกนานแม่แม่ก็ฉีดแล้วแต่ว่ารอฉีดแล้วเราจะไปหาแม่ที่พัทยาจะได้ไปใส่ค่ะแม่อยู่พัทยาจะได้ไปใส่บานพัทยามีโอกาสได้ฉีดได้ง่ายกว่าเพราะเขาเขาระดมวัค ที่พัทยาเหรอค ะ, อะสำหรับคนพัทยาอ๋อถ้าเราอยู่ที่ดีแล้วก็ไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์ไปแล้วก็คงจะต้องต้องไปฉีดตามที่เราอยู่ตามที่มาเล็กที่เรามันจะจัดสรรให้เราคงมาหาทางฉีดแล้วใช่ไหมค ะ, ะวันนี้ฉีดวันสองวันนี้ไม่ฉีด ตอตอนนี้ก็มีอาการขั้นเรื่อขั้นตัวนี่นะไม่รู้เลยค่ะค่ะวันนี้ <Okay. S 2> ไม่มีอ่ะค่ะคุณผูขข้ชมคะคุณชูติมาเชิญคุณชูติมาอยู่ที่ไหนคุณชูติมากราบธรรมสการค่ะอาจารย์อยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะอ่าเชิญ เพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะติดตามพระอาจารย์จากเฟซบุ่ะค่ะคือช่วงนี้คือช่วงนี้คือจะอยู่บ้านแล้วก็ปฏิบัติได้เยอะมากขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนคือจชติดมากนเจาเข้ามาจากปกติเมื่อก่อนจะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแค่เฉพาะวันพระค่ะ พอตั้งแต่ช่วงนี้เดือนสองเดือนวันนี้คือจะปฏิบัติเองอยากปฏิบัติเองได้มากขึ้นนะคะเช้าตื่นมาก็นั่งสมาธิช่วงบ่ายก็ถ้ามีเวลาว่างก็นั่งเย็นก่อนนอนก็นั่งอีกแต่คราวนี้ที่บ้านนะคะทั้งสามีทั้งลูกคือตอนนี้ทุกคนอยู่ที่บ้านหมดเบิร์กฟอร์มโฮมด้วยอะคะ่ะก็คือพอจะนั่งทีก็จะไปบอกเขาอขออนุญาตเข้าห้องสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะรบกวน ช่วยเบาเสียงกันหน่อยก็แบบก็เกรงใจเขาด้วยอะคะ่ะเหมือนเราปฏิบัติมากไปหรือเปล่าคะไม่หรอกยังน้อ ย, ยอยูบางทีตอนกลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ําตอนตีสามใจมันก็อยากนั่งนะคะแต่กลัวเขาตกใจกันอะคะ่ะไม่หรอกเขาหลับเขาไม่รู้เรื่องนั่งตอนกลางคืนตอนที่เขาหลับดีกว่าตอนดึกถ้านั่งได้นั่งไปก็ไม่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกล้วประกันได้หลับครอบครอบคลอด แต่คือที่บ้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะค ะ, ะเขาก็ก็ย <_ d ata> <ๆ>ินดีแต่ว่าบอกเขาหน่อยหอเหมือนบางทีช่วงบายๆอย่างเงี้ยก็ขออนุญาตนั่งหน่อยนะ <ๆ S 2> ช่วงเย่เย่กันแป๊บนึงอะไรเงี้ยสักชั่วโมงอะไรอย่างค่ะก็อบอกเขาว่าบางทีเด็กๆเดตื่นมาน้อยไม่หลับก็จะนั่งสมาธิกันไม่ต้องกังวลนะแต่คือที่บ้านก็รู้ว่าคือหนูเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยไม่ขัดขวางแต่คราวนี้เราก็แบบเอออย่างใช้ชีวิตทางโลกอยู่ก็แบบ กลัวจะเยอะไปหรือเปล่ากลัวเขาจะมาจะมาแอนตี้ทีหลังนะคะคือตอนนี้เขายังไม่มีปฏิกิริยาอะไรอ่ะค่ะก็ดูสังเกตดูไปก็แล้วกันแล้วก็จมีปฏิกิริยาแล้วก็อาจจะต้องปรับให้เข้ากับกับเขาแล้วแต่การที่เราเขาจะน้อยใจว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหลียวหนก็เลยเข้าไปนั่งสมาธิอย่างเดียว แต่ไม่ค่ะก็คืองานทางบ้านก็จะทำให้เรียบร้อยทำอาหารทำกับข<ม>้าวทำงานบ้านทุกอย่างยังทำเหมือนเดิมค่ะไม่ได้บกพร่องเลยตรงนี้คือเป็นเวลาว่างจากเมื่อก่อนที่แบบเคยดูหนัง<ม>เคยดูซีรีส์<ม>หรือเคยทำอะไรที่แบบออกไปออกกาลังกายที่ฟิตเนสอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกไงคะ<ม>ก็เลยเอาเวลาตรงนั้นมาปฏิบัติเพิ่มได้แต่แต่รู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองแบบ อยากจะนั่งทั้งวันพอมีเวลาว่างปุ๊บ ก, ก็อยากจะนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะนั่เวลาไม่เป็นไรไม่มีความเสียหา ย, ยไม่ได้ไปทําให้ใครเหนือยน้อนไม่ไม่ได้ไ ม, ไม่ได้เยอะเกินไปไม่หรอกเาปฏิบัติเขานั่งเขาปฏิบัติทั้งจาดตื่นขึ้นมาจนหลับเลยวันหนึง<ก>เขาเขาพักแค่สี่ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงเพราะง้าใช้เวลาปฏิบัติทำตลอดค่ะหลายปีก่อนเคยเคยบวชทีอะค่ะเคยใช้ชีวิตแบบอยู่ในวัดแล้วก็ ปฏิบัติธรรมทั้งวันอย่างนั้นเหมือนกันนะคะดีแต่ก็ต้องต้องดูคนรอบข้างเราแล้วกันว่าเขาดังเกลียดหรือมเขาอิกเกริกหอไม่คือตอนนั้นเราอยู่ที่วัดเราก็ทําได้ทั้งวันแต่ที้มันมันอยู่ที่บ้านก็เลยแบบกลัวคนในบ้านต้องมีสังคมเขาว่าใช่ก็คือถ้าถ้าปฏิบัติได้เยอะก็คือทําทําไปได้เลยใช่ไหมค่ะใช่ยิ่งปฏิบัติยิ่งมากยิ่งดีมันจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เลยซึ่ง ขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอ okay. มีรนะปกติหนูไม่เคยเข้าซูมทําไม่เป็นค่ะเมื่อกี้ก็ให้ลูกสาวมาทําใหอ้อยู่ที่ไหนนะเมื่อกี้ลืมถามบ้านอยู่ที่ปฐุมธานีาค่ะปฐุมธานี okay. ค่ะปฐุไม่ยากหรอกลองหัดใช้ครั้งถัดต่อไปก็ชานาญนะง่ายมาเดี๋ยวโควิดสงบเมื่อไหร่หนูจะไปกราบพระอาจารย์ที่วัดนะคะก็กราบตรงนี้แหละดีที่สุดไม่กราบที่วัดไม่ใช่หนูอกว่าไม่ได้คุยกัน เหรอคะเวลามาที่วัดนี่คนมาที่เยอะแยะเป็นแมาความเท่ฟวางทันยังไม่ได้คุยกันอย่างนี้หรอสมัยนี้ดีนะคะเราโชคดีพระมาถึงบ้านเลยค่ะไม่ต้องไปที่วัดใช่มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรพระใจทันสมัยมากเลยค่ะอาศัยทีมงานมีรู้สึกที่เป็นทีมงานเขาขยันขันแข้งกันทุกคน คุโมุทนากับทีมงานด้วยนะคะคุโมุทนาให้เขาด้วยเขาจะได้มีกำลังจิตกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะอบคค่ะขอบคุณคอบ่ขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่อบคุณค่บคุณค่ะขอบคุณค่ะอบจุรค่ะขอบคค่ะลอกไม่มีคุณค่ะขอบคค่ะวันคี้ไ่ะขค่ะขอบคุณค่ะขอ่ะ่ะขอยาุ รู้สึกนั่งสมาธิช่วงนี้ฟุ้งไปเยอะเจ้าค่ะแต่ว่าก็ก็พระอาจารย์เคยสอนว่าถ้าถ้ามันไม่นิ่งก็แปลว่าสติยังไม่นั่นก็พยายามฝึกสติอะเจ้าค่ะพยายามค่ะเจ้าค่ะสติย่อหย่อนความคิดเข้ามาหนุนยางไม่มียางขโมยก็ควนเปลี่ยนได้พอมียางขโมยมันก็หลอก เออเผอไม่ได้เลยเจ้าค่ะสัปดาห์ที่แล้วนี่นั่งได้ดีเจ้าค่ะพอสัปดาห์นี้เอามากระจุยกระเจิงเลยเลยออกสติสติยอนจะได้เห็นการสำคัญของสติว่าเป็นยังไงนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะจับขอบคุณเจ้าค่ะโอเคสาธุท่านต่อไปคุณประโยชน์นนะคุณประโยนชน์อยู่ที่ไหนคุณประโยช น, านาการารรมสถานครับพระอาจารย์อยู่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับออื มีคถามเลยมีมอนิดเดียวครับข้อเดียวครับเกี่ยวกับการนั่งขัดสมาธิเพชรนี่จะทําให้นั่งสมาธิได้ได้หนักแน่นกว่าเดิมหรือเปล่าครับไม่นอะกเป็นสมาธิแบบไม่เพชรกนได้นั่งขวาทับซ้ายก็ได้ไม่จัดขัดแบบเพชรก็ไ ด, ด้แล้วแต่เรามันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งมันอยู่ที่สติเป<ม>็นัก แต่ได้ทั้งสองท่าชอบท่านไหนก็ท่านนั้นไปก็ได้ครับเคยนั่งนะคะแต่ว่ามันชาเจ็บหน่อยครับอก็บางทีความเจ็บมันก็จะทําให้เรามีสติก็ได้ครับผมมีคําถามเดียวครับโอเคแต่บางทีสติเราไม่ดีว่ามันเจ็บก็อาจจะทนไม่ไหวก็เลยก็อยากจะเลิกนะแลก็ต้องดูผลจากการปฏิบัติว่าอย่างไหนดีกว่าการนี้แล้วกันนะเปรียบเทียบ ครับอาจารย์ครับการปฏิบัตินี้ต้องมีการทดสอบในการเปรียบเทียบวิธีนี้กับวิธีนั้นอย่างไรจะดีกว่กากันนี้นต้องข้อมูลนี้ไม่ต้องถามใครหรอเราต้องเป็นคนพิสูจน์เราเองครับโอเค okay, นะครับขออนุโมทนาบุญกับอาทีมงานแอดมินด้วยนะครับโอเคสาธุคุณคุณรินยพัฒน์ใช่คุณรินยพัฒน์นมั ส, สการาพระอาจารย์ อ่หนูเ mm hmm. พิ่งได้ได้เข้ามาในซูมครั้งแรกแล้วก็เพิ่งติดตามเพจอาจารย์เมื่อวานวันแรกเลยค่ะแล้วก็รู้สึกศรัทธามากก็เลยวันนี้ก็เลยกดเข้ามาวันแรกเลยแล้วก็หนูมีคําถามก็คือว่าคือหนูปฏิบัติมาได้ประมาณ4ี่ห้าเดือนแล้วคือแบบว่าก่อนนั้านี้ค่ะหนูพยายามจะฝึกฝึกนั่งสมาธิมาตลอดแต่ว่าหนูเพิ่งจะมาปฏิบัติได้ในช่วงที่มีมีโอกาสได้ปฏิบัติคือช่วงโควิดเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ดีขึ้นนะคะอาจารย์แต่ว่า รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่รู้สึกว่าพอเรานั่งสมาธิไปถึงจุดหนึ่งมันเหมือนกับว่าเราระลึกรู้อะไรที่ที่มันเป็นเรื่องเก่าๆที่ในอดีตมันผ่านมาหมดแล้วแต่ว่าเราลืมมันไปแล้วแล้วอยู่ดีๆเหมือนภาพมันกลับเข้ามาค่ะอาจารย์แล้วมันบางทีมันรู้สึกว่ามันเยอะภาพมันเยอะมากไปหมดเลยอะค่ะมันยจะไปส้นใจให้เรากลับมาทสติกลับมาที่พุทอธพุทธไปแล้วมันก็ทําให้ เ ห, เหมือนเหมือนเนอนไม่หลับด้วยค่ะพระอาจารย์คือเขาบอกว่าสวมดมนต์นั่งสมาธิแล้วเราจะหลับสบายเลยใช่ไหมคะเวลาหลับถ้ า, ถามันก็เราก็สวดต่อไปในในท่าหลับก็ได้ท่านอนก็ได้แต่ว่ามันมันนอนไม่ค่อยหลับอะค่ะพระอาจารย์เหมือนมันจะมีภาพเก่าๆมีเรื่องเก่าๆ เ, เข้ามาเยอะไปหมดเลยอ่ะค่ะเก็ลองนอนลองลองสวดมนต์ไปนอนไปสวดไปแล้วพุทโธไปค่ะไปสนใจกับภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นมา แล้วก็เราก็ยังเรากําหนดพุทโธอยู่ในใจแต่ว่าพอกําหนดเิร็จบางทีมันก็ภาพมันก็เข้ามามันก็ก็ยมันก็ใจมันอยากเป็นให้สนใจอยู่แับพุทโธไปเรื่อยๆทำให้สนใจกับมันป้ามันก็จะทําให้เราเครียดกับมันได้คอย่าไปสนใจมันจะมาพุทโธมาก็ไม่ต้องไปสนใจพุทโธพุทโธไปเหมือนตอนที่เราคุยกันถ้ามีเสียงใดเข้ามาก็ไม่ต้องไปสนใจปม่อยปล่อยเสียงมันเป็นไปตามเรื่องมัน โอเคมีท่านนี้เหละค่ะอยู่ที่ไหนนะบางทีถามถามหรื อ, อยังมางทีเริ่มถามหนูอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพนะโอเคยินกรอไปที่คุณสุวัฒนาต่อค่ะคุณสุวัฒนาจากบอกนิกราบมาสการพระอาจารย์ทุกท่านก็เข้ามาเข้ามากราบพระอาจารย์นะคะไม่มีคําถามเนี่ยวันนี้ไม่มีคําถามค่ะ <Okay. S 2> มาขอหรืออยากฟังถามเจ้าคะพระเจ้าก็รู้สึกว่าทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้ได้ถามกันหมดทุกคนแล้วนะเรนก็ oh. เราไปที่ Facebook ดูดีไหม a c e b ุ o กมีคำถามหรือเปล่ามีคมีทั้งหมดเจ็ดคำถามจากทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของดรวีเจ้าค่ะเชิญถามได้เลยคำถามแรกจากคุณอนุสร ขอโอกาสขอรับการตั้งคําอธิษฐานในพระพุทธศาสนาควรน้อมนําเช่นไรและการถอนคําอธิษฐานต้องทําเช่นไรขอรับเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารขอรับการตั้งอธิษฐานทางศาสนานี้ไม่ได้เป็นการขออะไรขออนิจจานขอไปสวรรค์ขอนู่นขอนี่อันนี้ไม่ใช่เป็นการตั้งจิตอธิษฐานการตั้งเจิตอธิษฐานนี้ให้ตั้งอยที่การกระทํา อ่าแบบนี้จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปตลอดชีวิตอย่างนี้เห็นไหมว่าเป็นการอธิษฐานอาธิษฐานที่การกระทําไม่ใช่อธิษฐานที่ผลที่เกิดจากการกระทำํำอันนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องถอนเราถ้าเราอาธิษฐานแล้วก็นัทําไปให้มันสุดให้มันได้ผลขึ้นมาเพราะว่าการปฏิบัตินี้มันก็ต้องใช้เวลา เราก็ต้องมีความหนักแน่นต่อความตั้งใจเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งอยู่ใต้คนต้นโพก่อนตัดเชื้พระพุทธเจ้าก็ทรงอธิฐานว่าต่อไปนี้จะนั่งอยู่ตรงนี้ภาวนาไปจกนกว่าจะตัดเชื้ถ้ายังไม่ตัดเชื้อถึงแม้ว่าเรื่องในร่างกายจะเหือดแห่งไปก็จะไม่รุกจักที่นี่ไปนี่หลักคือวิทีอธิฐานทางศาสนาไม่ได้ขอพระพุทธเจ้ามานั่งขอนั่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอให้ใ ห, ให้นิพพานมาหาเรามันไม่มาหรอก เราต้องไปหามันด้วยการกระทำด้วยการปฏิบัติเข้าใจไหมคามถามต่อไปจากคุณพิชัยกราบนมัสการครับถ้าเริ่มต้นนั่งสมาธิแล้วเพ่งหรือบังคับจิตให้สงบเร็วๆหลังจากนั้นจึงเริ่มปล่อยจิตเพื่อให้ทำวิปัสสนาหรือไม่ควรบังคับจิตตั้งแต่เริ่มทำครับ คือบังคับไม่ได้หรอกมันบงังคับได้กันดีจิตมันไม่ยิ่งไปกดนะมันก็ยิ่งต้านอย่างั้นต้องใช้อุบายของสติให้มันให้มันไปดูนู่นดูนองหรือไปพุโทโธมันเดี๋ยมันไก็จะสงบได้แตถ้าใช้ไปไปกําหนดจิตให้มันนิ่งถ้าเราไม่มีสติกําหนดนั้นไม่ได้แล้วถ้าเรามีสติเนี่ยไม่ต้องพุทธโทก็ได้กําหนดให้จิตนิ่งไมให้ปุงแต่ มันก็เชื่อตามที่เราสั่งถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ก็ทํทำไปแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องใช้อุบายของสติใช้กรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธไปสวดมนต์ไปดูลมไปอย่างนี้นนนมันถึงจะเข้าสู่ความสงบได้แต่ mm hmm. so, วิปสัสสนาที่รอรอไว้ก่อนมันอีกระดับหนึ่งระดับนี้ตอนนี้ฝึกสติฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อน ใ ห, ให้จบระดับปริญญาตีแบบนั้นก็ เ, เป็นระดับปริญญาโทะอย่าไปเรียนทั้ ง, ท, งทั้งตีทั้งโทรควบกันเรีนเดี๋ยวก็ไม่ได้ทั้งสองตีก็ไม่ได้โทรก็ไม่ได้แล้วเมื่งตอนนี้ฝึกสติให้นั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วก็ฝึกไปบ่อยๆให้มันชํานาญพอชํานาญแล้วทีนี้เวลาออกจากสมาธิมา ก็เริ่มไปทางปัญญาได้สอนใจว่าทุงอย่างไม่เที่ยงเช่นร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราอนัตตาไม่สั่งมันไม่ได้ทําให้มันเที่ยงไม่ได้ทาให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เพื่อจะได้ปล่อยมันได้ปลงได้มาถึงเวลาแก่ก็ต้องแก่ถึงเวลาเจ็บก็ต้องเจ็บถึงเวลาตายก็ต้องตายอันนี้เป็นขั้นปัญญาต่อไป ถามต่อไปจากคุณมาโนมีทั้งหมดสองคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกการฝึกสมาธิการพิจาจรณาความไม่เที่ยงของสังขารนี้ว่าไม่เที่ยงคือวิปัสสนาใช่ไหมครับใช่มันเป็นการเจริญปัญญาเนี่ ย, ตยแต่มันยังถ้ายังไม่มีสมาธินี้รู้ไว้ก็ทำอะไรนันไม่ได้รู้ก็ไม่ปล่อยรู้ว่ามันไม่เที่ยงว่าไม่เทียเท่ยงของเราก็ยังอยากให้มันเที่ยงยังอยากให้เป็นของเราอย เช่นร่างกายของหลังงั้นอยากพึ่งไปพิจารณาทางปัญญาถ้ยายังไม่มีสมาธิไม่มีไม่มีอุเบกขาไม่เอาฝึกสมาธิให้มีอุเบกขาจะจะมีอุเบกามีสมาธิได้ก็ต้องฝึกสติก่อนต้องคอยควบคุมจิตไม่ให้คิดปุ่มแต่ให้สักแต่ว่ารู้อยู่ในปัจจุบันคําถามที่สอง การภาวนาแล้วจิตจะมารวมที่หน้าผากนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกครับมันจิตมันไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตมันจะรวมเข้าสู่ความว่างความสงบแต่ความรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่หน้าผากหรือที่ไหนก็ได้มันไม่ไมน่าบางคนก็รู้สึกว่าอยู่กลางอกก็ได้อยู่ที่หน้าผากก็ได้แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัำคัญก็คือขอให้มันสงบนิ่งคําถามต่อไปจากคุณทาราทิพย์ การขายเนื้อย่างจะตรงกับวรรณะสูตรที่ว่าห้ามขายเนื้อสัตว์ไหมครับถ้าเป็นของที่ตายแล้วไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ผิดนะถ้าเราไปซื้อเนื้อสัตว์เป็นมาแล้วมาฆ่ามันเพื่อจะเอาเนื้อมันมาทําเนื้อย่างอย่างนี้ยถึงจะถือว่าผิดแต่ถ้ามันเป็นของที่ตายแล้วเราไปซื้อที่ตลาดมนาะมีเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเราก็าเอามาขายมาปิ้มมาขายนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำํำบา แต่อย่าไปสั่งก็ลุกหน้าแล้วว่ากันจะ่าไปบอกเ้าพรุ่งนี้เอาเนื้อสิบโลนี้ไม่ได้นะอนี้ถือว่าเป็นเป็นการสั่งให้เขาค่าให้เราแต่ถ้าเราไปดูที่ตลาดแล้วเห็นมีเนื้อตายขายอยู่โดยที่เราไม่ได้มีส่วนไปสั่งเขาาอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของคนขายเขาอยากจะได้เงินเขาก็เลยไปไปฆ่าเนื้อสัตว์มาขายอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเราเราเป็นคนซื้อเราก็ซื้อของที่เขาขาย แล้วแม่ไปสั่งก็ลงหน้าเดแล้วค่ะคำถามต่อไปจากคุณผุชชามีทั้งหมดสองคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกควรฝึกอย่างไหนก่อนคะระหว่างกายภาพจิตวิญญาณสติปัญญาสังคมอารมณ์เจ้าค่ะฝึกสติก่อนนะฝึกสติสตินี้เป็นกอไก่ ข, ไข้าไก่ของการอ่านหนังสื อ, อก่อนจะอ่านหนังสือได้ก็ต้องฝึกกอไก่ ข, ไข้อไก แล้วค่อยมาผสมสละอาสละอาแล้วค่อยมาเรียงความแล้วค่อยมาแต่งอะไรไปในเบื้องต้นนี้ฝึกสติมาก่อนว่ามีสติก็ฝึกสมาธิต่อหน้าสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นโนเบคาแล้วหลังจากนั้นก็มาฝึกปัญญาต่อไปคือำถามที่สองอยากละกิเลสไม่เกิดความโลภไม่เกิดความกลัว ต้องเปลี่ยนความคิดใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ใช่หรอกต้องปกษมาธิต้องฝึกปัญญาฝึกสมาธิให้จิตเป็นเป็นอุเบกขาช่วงที่เป็นอุเบกขานี่มันจะไม่รักไม่ชัง่งไม่กลัวไม่หลงแต่มันจะเป็นแบบชั่วคราวถ้าอยากจะให้อุเบกขานี่เท้ารอนก็ต้องใช้ปัญญารักษามันต่อไปคำถามต่อไปจากคุณบุญชู ถ้าเป็นคนกลัวผีแล้วนั่งสมาธิจนถึงฌานสี่ความกลัวผีจะหายไปไหมครับอายถ้าจิตสงบแล้วความลกลัวต่างๆความรังชังโกรธหลายไปหมดชั่วคราวแต่ก็อยากสมาธิมาเพราะอุเบกขาจางหายไปมันก็กลัวผีใหม่ได้ถ้าอยากจะให้มันไม่กลัวอย่างถาวรก็ต้องบอกว่ า, า, าอย่างมากผีมันก็มาทําร้ายร่างกายเราเท่า น, นั้นเอง น่าตายของเราจะมีผีมาทําร้ายไม่ทําร้ายมันก็เราตายเหมือนกันพยายามตายซะพยายามตายแล้วฝวามกลัวผีก็ยอมหมดไปคาถามต่อไปจากคุณสุดารัตน์กราบธรัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากทราบว่าเรามีการปรับจิตตัวเราอย่างไรเมื่อเราต้องอยู่ทํา ง, งานร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมงานที่มีการนินทากันค่ะก็ปรับจิตให้เฉยเฉยไป เขานินทาก็เรื่องของเขาเราก็อย่าไปร่วมวมงกับเขานั่นเองเราก็แยกตัวเราออกไปไม่ต้องไ ป, ปว่าเขานินทาก็ไปจอยเข้าไปเอานู่นกับเขาด้วยไม่ต้องไปร่วมว่าเขานินทาไปเรื่องของเขาเราจะรักษาวาจาของเราให้เป็นสัมมาวาจาคำถามสุดท้ายจากคุณอานน o ์กลาบนมัสการค่ะพระอาจารย์ลูกมีคําถาม ลูกโอนเงินให้เพื่อนซื้อของฝากทำบุญใส่บาทเพราะในซอยของบ้านลูกพระท่านไม่มาบิณฑบาตคะ่ะลูกสามารถแผ่เมตตาให้คุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วได้ไหมคะได้พอเราโอนเงินเสร็จแล้วก็อุทิศบุญได้เลยหมดแล้เหรอหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมหมอหน้าทูนเปิเปดก็มาถามได้ก็ อันนี้ผมฮะเอาไปประดีครับประดิษฐ์มันก่อนเหมือนที่สงบนะครับมันก็ตอนที่มันสงบลงไปลึกๆมันเหมือนกับเออเหมือนจะเป็นจิตเป็นตัวรู้แล้วมันก็ไม่อย่างอื่นมันก็เกิดดับเกิดดับมาชอันนี้อั<ช>นนี้ไม่มีดับตัวรู้ไม่มีดับครับฮะแล้วก็ไอแต่ตัวเราก็ไม่ไปให้คําหมายความสําคัญได้สิ่งที่เกิดดับเกิดดับอันนี้<ช> แต่กลับเข้าไปอีกเนี่ยเราเราไปคิดอย่างนั้นหรือมันต้องต้องแต่มันก็เป็นธรรมชาติถ้านจิตมันสงบมันก็จะเป็นนะครับแต่บางท่านไม่ทำเพราะมันก็เริ่มมีรักชาตัวตขอเขามากขึ้นเลยก็นีกลับไปสมาธิเหมือนต้องทําสมาธิให้มากขึ้นให้มันกลับไปสงบเหมือนเดิมครับเราเรานึกถึงสภาพนั้นได้ไหมครับว่าก็เราต้องปล่อยแก็เราก็ลองดูดิ เคยมีเงินล้านแล้วเงินล้านหมดแล้วมานั่งเรียกว่าในห้เงินล้านกลับมาหาเราได้ไหมไม่ถึงว่าเราไม่ถึงสภาพว่าเราเอเราก็ไม่ให้เป็นความหมายกับไอ้สิ่งไอ้พวกเวทนาไม่ให้ความหมายการอะไรก็ก็คือก็ถือว่าอยู่กับอยู่กับใจของเราแล้วก็ไม่ถ้าทําได้แสดงว่าทําทําได้แสดงว่าอุเบกขาไม่หายไปครับนะหายไปก็ทําไม่ได้ครับนะก็ลองทํำดูเถอะนี้ ใช่ใช่ฉันนึกแล้วมันไม่มันไม่มันไม่ถ้าไม่ก็หไปถึงว่าตอนตอนที่นั่งครับแล้วก็นั่งแล้วเราก็เราก็ไปอยู่คิดเอเหมือนจุดจุดตรงนั้นว่าเอราก็รู้อย่างเดียวสักแต่ว่ารู้ไปทางรับถ้ามันจะรู้อย่างเดียวรู้ปากเราสังเกตดูแล้วครับจะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลองพยายามปฏิบัติไปครับถ้ามันไม่รู้อย่างเดียวมันฟูงแตกอยู่นั่นก็เลยต้องใช้วิธีของสติใหม่ ครับฮะตาครับขอบคุณครับคุสุบัญาคุณสุพัฒนาคุณสุพัฒนาก็ข uh, ้าพาจย์นะคะขออนุญาตถามเกี่ยวกับอรูปภพและอรูปภพข้าพเจ้าคือรูปภพก็คือพภพของผู้ที่ได้รูปประชาเนี่ยในรูปฌานเาจิตเวลาจิตเข้าสู่รูปประชานนี้ก็ถือว่าได้เข้าสู่รูปภพนะ อ๋อก็คือคือเอ่อเหมือนกับว่าเขามีความสงบอยู่ในฌานใช่ไหมคะอยู่ในฌานไปเวลาร่างกายตายไปเขาก็จะอยู่กับฌานไปเนิ่มมาเริ่กับสติทั้งหมดกาลังก็ถึงจะนิรภัาเกิดเป็นมนุษย์ต่อเจ้าค่ะบรูปะพรมก็สำหรับผู้ที่ได้รูปประชานเนี่รูปประชานสูงกว่าืละเอียดกว่าสงบกว่ารูปประชาน เจ้ค่ะเห็นได้ยินได้เเวลาฟังเทศพระอาจารย์จะบอกว่าที่อยู่ในรูปภ พ, พ, พก็จะไปเกิดเป็นรูปรูปภพถ้าเป็นอยู่อยู่ในรูปอรูปภพก็ไปเป็นอรูปภ พ, พ, พก็คือขึ้นเป็นอยู่ชั้นพรมที่สูงกว่าชั้นเทวดาใช่ไหมครับอาจารย์ตรกที่ได้ฌานจะไปขึ้นไปอยสวรรค์ที่สูงกว่าของเทวดาพวกเทวดานี้ได้จากการรักษาศีลทําทําำทาน แต่คือกลุ่มรูปภพแล้วรูปอรูปภพนี่คือกลุ่มที่ได้สมาธิใชระดับาชฌานหนึ่งถึงชานสี่ก็ได้รูปฌานฌานห้าถึงชานแปดครับอรูปฌานเจ้าค่ะขอบคุณท่านมหาจารย์ฌานหนึ่งที่อาคุณเลยีนั่พูดได้เลย ถามว่ากายวิเวกจิตวิเวกอุปาทิวิเวกนี่เป็นลําดับขั้นหรือว่าทําควบคู่กันยังไงครับกายวิเวกก็คือเราไปอยู่สถานที่ที่มันสงบสนัด น, นี่ครับเขาวิเวกพอเราอยู่ที่สงบส น, นัดจิตมันก็จะวิเวกมันก็จะเกิดความสงบสงัดวิเวกบางเวกอุปาทีชนี้เราไม่เราไม่เข้าใจความหมายมันไม่สามารถตอบคําถามนี้ได้ตอบแล้วมันี่กลัวจะปวด อ๋อครับแล้วแล้วถ้าแบบใช้ชีวิตแบบกลางเมืองแบบคนทั่วไปหมายความว่ามันก็จะจิตวิเวกไม่สามารถเด็ดมันตก็วุ่นวายมันคุณไม่นั่งสมาธิอยู่ที่สี่แยกไฟแดงมันจะสงบได้หรือเปล่าไม่ใช่นั่นแหละมันไม่วิเวกมันต้องไปนั่งที่สอบสนะไม่มีคนไม่มีอะไรเสียงไม่มีอะไรมารบกวนจิตมันก็จิตกระจาวิเวกจะสงบได้ แต่ถ้าอยากดูว่าเรายังมีความโกรธความเกลียดเราเอาตัวไปลงเล่นกับไฟจะได้รู้ว่าตัวเองยังมีแบบนี้ถือว่าผิดไหมครับหลวงพอ่อหรือทาได้ครับไม่ต้องไปลองมันรู้อยู่แล้วมันยังมีอยู่คุณอะไรมาว่าเราเคนดีมีก็ไม่มีมันยังไม่มีอะไรลองเลยสมาธิก็ยังไม่มีปัญญาก็ยังไม่มีไม่จะไปลองด้วยเห็นเห็น้วยเห็นเห น, เหนไม่เห็นหน้าเห็นผมนายก็นี่ก็เกิดความโลภขึ้นมาแล้วเนี ไม่ตัดนตัดมันท่านกอดหัวไปเลยมันจะได้กิเลสมนจไม่มีช่องทางที่จะมาโลกเกับเรื่องผมเราสกัดมันไ้รับรบเดี๋ยวเดี๋ยวครับก็ลองครับหอหอยากจะลองทดสอบดูว่ามีกิเลสหรือม่นี่ก็บอกนะที่แหละคือพ้ได้นี่ก็กิเลสนะครับโอเคครับแค่นี้แหละครับหลวงพ่อใครต่อนะคุณยายาณิสาเชิญ น, นมามัสการค่ะหลวงพ่ออยู่ที่ไห น, นยอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะค่ ะ, ค, ค, ะ, ค, ะคือพอดีคุณพ่อเพิ่งเสียจากโควิดอะค่ะซึ่งตอนที่คุณพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลก็ปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานแล้วก็สื่อสินแตม่มาโดยตลอดอะค่ะแล้วก็แล้วก็ให้คุณแม่ก็สวดมนต์ต่างๆให้แต่สุดท้ายคุณพ่อก็เสียค่ะ แล้วเหมือนคุณแม่กับน้องชายก็ตัดพอว่าแบบอุตส่าห์อุตส่าห์สวนมนต์ทาสมาธิให้ทำไมทออําไมคุณพ่อยังยังต้องไปอยู่แล้วเหมือนคุณแม่ขาดสอนพาเวลาหนูจะปฏิบัติธรรมจะนั่งสมาธิต่อแม่ก็บอกว่าไม่ต้องนั่งแล้วมันเหมือนมันไม่นั่งไปจะไม่ได้ผลเวลาจะนั่งสมาธิเขาบอกนั่งอีก และอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยอยากรู้ว่าจะต้องทํำยังไงค่ะต้องก็บอกเขว่าพระพุทธเจ้ายังตายเลยมันไม่เกี่ยวกันการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้มายับยั้งความตายมายับยั้งความทุกข์ที่เกิดจากความตายนะฮะคนที่ปฏิบัติธรรมได้เนี่ยจะไม่ทุกกับความตายแต่ไปห้ามความตายไม่ได้คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมนี่จะทุกข์มากตอนแล้จะตายที่ยังไม่ทันตายก็ทุกข์นล เออหนูที่หนูปฏิบัติทําไปก็คือคุณพ่อจะได้รับแผ่เมตตาให้ตลอดไม่ได้หรอกอันนี้ของใครของมันหนูจะแผ่ส่งส่งบุญไปก็ต้องทำบุญทําทานไปแล้วส่งบุญไปแต่การทําบุญที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ส่งไปไม่ได้ของใครของมันว่าหนูเคยเหมือนฟังเออหลวงพ่อจารยนว่าลูกสามารถทำกรรมฐานให้คุณพ่อที่ป่วยอยู่ได้ ก็ฟนะังท่านไปแล้วฟังเราไม่อยากจะขัดแย้งท่านแต่เราเราทําไม่ได้ถ้าทําได้จจกุฏิเจ้าก็มาทําให้พวดเราไม่ดีกว่าเละทําให้เราไปถึงที่พายมาให้หมดอันนี้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งสมาธิให้มันเหนื่อยใช่ค่ะแล้วคนอื่นทำแทนเราได้แล้วอตาหีอัตโนนาทโถไม่ไว้ทําไมไม่ได้หรอก ทำทานไม่ได้กินข้าวแทนกันได้ป่ะแต่ว่าเราสามารถอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านได้ใช่ไหมไม่ได้นอกจากเป็นบุญที่เกิดจากการทําบุญทําทานแล้วเป็นบุญที่เกิดจากท่านทาบุญทําทานเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเป็นสายบาหรือบริจาคเงินให้โรงพยาบาลแล้วก็อุทิศไปได้อืทุกครั้งที่บริจาค ก, ก็อุทิศให้ อ่อาพอลอยจากใส่เก้าุที่ได้เลยอพอาะจิตมันปราบเพิ่มมีความสุขใจกับ่านสิ่งที่เราส่งไปก็คือความสุขใจของเราที่เกิดจากการทำบุญทำทานเื่องเร า, า, า แ, ลแล้วทุกครั้งที่ปู่ปบัติานั่งสมาธิเสร็จอะค่ะจะอุทิ่ส่วนบุญส่วนกุศลได้ไหมคะอุที่ได้แต่ล้มปลายไม่เจ็บเนี่จมันจม ต้องต้องเป็นทำบุญจะถึงมากกว่าใช่ไหมทำบุญอย่างเดียวทำบุญทำทานทำบุญที่ที่กิดจากการทำทานแบ่งความเสียสะละอะไรทำด้ไหมนโอเค okay, นะท่านอจารย์ท่านบุญทานต่อคุณสอนโยมแล้เชิญสอนโยมค่ะพระอาจารย์อยากถามว่าอาจาน 1, 2, 3, 4อ่ะค่ะจำเป็นไหมต้องนั่งเข้านานๆนะคะรับอาจารย์ อะไรหนึ่งสองสามเดชาเนี่เข้าชานหละค่ะพระจันทร์ก็นั่งไปถ้ามันสงบแล้วมันก็จะนั่งได้นานตัวเองจนกว่าสติอ่อนกำลังมุมมันก็จะถอนออกมาถ้าเราอยากจะเข้าต่อเราก็นั่งใหม่แล้วก็เริ่มใหม่ดูลมต่อใหม่ใหม่คือคือว่าหนูหนูเข้าไปแวบเดียวค่ะพระจานทร์แล้วก็ว่าส ต, ติเรามีกำลังน้อ ย, อยมันดันไดเข้าไปได้แค่นั้นติเลสมนยังมีกำลังมากกว่า ยังอยากจะให้เราไปดูฟังไปรูปไปหารูปเสียงเกินร้อนน่งมันก็ดันเราออกมาเราก็ต้อใช้สติดันมันกลับเข้าไปหม่ดยี่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นความสุขที่ได้จากฌานนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูน้ำพังตัวเองพอใจไหมค่พะพอใจโอเคอหมดคำถามแล้วใช่ไหมเมื่เห็นท่านหนึ่งเข้ามาแล้วก็ ในย่ม ม, ม, มีคนใหม่เข้ามาครับคุณการจนาเชิญครับคุณการจนาครับกดกดอันนได้เลยจับน้มัสกาดพระอาจารย์ค่ ะ, อ, ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นนท์ค่ะเพิ่งเข้ามา zoom ครั้งแรกยังใช้งานไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่าได้ดูฟังเทศใน f a c e b o o กค่อนข้างที่จะบ่อยค่ะ วันนี้มีคำถามค่าาอาจารย์ก็คือว่าวค่ะค่ะปกติที่พอเวลาจะเริ่มต้นนั่งสมาธิหรือหรือจะภาวนาพุโทโธหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีจิตอกุศลเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทําให้เราอ่ะกลัวบาปแล้วเราไม่อยากจะภาวนาต่อก็ทําความเข้าใจว่าการภาวนานี่เป็นการทําบุญไม่ได้เป็นการทำํำบาปมันจะคิดอะไรครับมันห้ามมันไม่ได้ครับอย่าไปสนใจกับมันแล้วมาทํำเราก็ภาวนาของเราไป พอเรามีสติมากๆเนี๋ยมันก็หยุดไปเองไม่ต้องไปกังวลค่ะแต่จิตอกุศลที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการด่าคนนู้นคนนี้ด่าพระด่าอะไรก็เลยนิสัยมันเป็นนิสัยสันดานที่เราเคยปลูกฝังไว้หมดเนี่ใจก็อย่าไปสนใจมันถ้าเราไม่ไปสนใจไม่ไปทําตามมันต่อไปมันก็จะค่อยๆหายไปเองค่ะได้ค่ะให้เราทำตามทาสิ่งที่เป็นกุศลนะ พูดโรศัพท์ไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งรู้ลมหายใจ<ช><ช>ไปนะส่วนความคิดที่ไม่ดีมันจะผล่ขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าเรารู้ว่ามันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันไปใช่ไหมคะออไม่ต้องไปสนใจอย่าไปทําตามมั น, นเยอะก็ค่ะได้ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะใครหมดคำถามแล้วค่ะ ค, คุณเป็นคุณเป็นจวันนะเห็นไหคุณเป็นเจวันได้ยินแล้วไหมฮะ ก็ยังไม่คอนเน็กต์นะไปไปไปที่คุณยอยิงก่อนนะฮะในวัศการมเจ้าค่ะอเชิญจากเช็ใหม่เจ้าค่ะเมื่อวานเข้าไปห้องภาษาอังกฤษเจ้าค่ ะ, ะคิดว่าคิดว่าไม่มีอะไรมากเจ้าค่ะแต่ว่าก็อยากจะถามนิดนึงเจ้าค่ ะ, ะปกติเจ้าค่ะสวดมนต์อิติปิโสแล้ว หลับเจ้าค่ะคือมันจะไปบนบนไปเรื่อยๆแเราก็จะหลับก็เลยเปลี่ยนไปสวดบทที่ยากอย่างเช่นบทอาภาริณหรือบทพระธรรมจรักรเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสวดไปเรื่อยๆประมาณเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี้ยเจ้าค่ะอะ่หลังจากนั้นหนูไม่หนูไม่ง่วงเจ้าค่ะหนูจะแบบเหมือนเหมือนตื่นแต่ไม่ไม่ทรมานนะเจ้าค่ะคือปกติเจ้าค่ะแต่ว่าหนูจะไปหลับอีกทีตอนสิบโมงเช้าเลยเจ้าค่ะเสร็จเราชีวิตมันมันผิดเวลาเจ้าค่ะ ก็เราเคยนอนเวลาไหนถึงเวลานั้นมันก็จะนอนเราก็ต้องยอมรับสภาพนอกจากเราฝืนมันอยากไปนอนมันสภาพอยู่มันก็มันก็ไม่ไม่นอนได้แต่ร่างกายยังไงมันก็ต้องนอนอย่างว่าวันนึงก็ต้องสี่ห้าชั่วโมงขึ้นไปอย่างน้อยต้องสี่ห้าชั่วโมงโมแต่นอนมากๆก็ไม่ดีเพราะมันทําให้เราเสียเวลามีภาพปเจ้าค่ะเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะ ขอบคุณเจ้าค่ะคุณไลฟ์โฟนของธนกรธนกรมีคำถามเลยเปิดปไมโครโนก่อนอาจารย์มิวนะฮะอันมิวนะฮะโอเคไม่มีครับอาจารย์ฟังทำครัอาจารย์บ่อยๆครับอยู่ที่ไหนผมอยู่กรุงเทพครับอาจารย์แล้วก็วันนี้ก็ไม่รู้ยังไงก็หลุดเข้ามาฟังอาจารย์ในในในซูมมาฮะ แต่ปกติก็จะฟังของพาอจารย์อยู่แล้วนะคือในเฟซบุ๊ใช่ครับทั้งฟังใน y o u t u ู e บ้างในเฟ e บ o o k บ้างครับเวลาเราขับรถไปทำงานอะไรเงี้ยจะเมื่อก่อนจะฟังเพลงเดี๋ยวนี้ไม่เคยฟังเลยฮะจะเปิดพ่อจาร์ดีกว่ารถถ็งทำนะรถทั้งปวงใช่ฮะเราไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าอยากไปฟังเพลงนะตอนนี้ค่ะโอเคไปขอไปที่ท่านต่อไปเลยนะ คุณเป็นจวันนะคุณเป็นจวันได้ไหมคุณเป็นจวันได้ยินเสียงไหมอาจารย์อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเขายังไม่ได้คอนเน็กต์คุณเป็นเจวันได้ยินเสียงเราไหมฮะถ้าได้ยินพยักหน้านะฮะไม่ได้ยินคุณเป็นจวันได้ยินเราไหมฮะถ้าได้ยินพยักหน้านะฮะไม่ คุณวัณชร ะ, ะเข้ามาแล้ววัชระค <c oughs> อนกันร์ตอันนี้มาคกโฟนได้เลยพูดได้เลยวัชร ะ, ะนำมาสการครับมีคำถามไหมเสียงไรครับไปไปปิดไมโครโฟนอันนี้ใหม่พูดได้ไม่มีครับมา เ, เข้ามาฟังเฉยๆครับออโอเค มีคุณพัทละพลยกมือเนะี่ย่าเชิญครับผมพญานครอยู่ที่ไหน <S S อยู่คอนแกงครับผมพญานคามีคำถามหม <S S มีอยู่ครับพญานคเวลาก็ก็ปฏิบัติตามที่พญานครแนะนําตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเรื่องเดินยงปบนะครับแต่ทีนี้เดินเดินเดินไปแสงเทียนนะครับมีมแมลงเม้าตกลงใส่แสงเทียนทีนี้ ใจใจมันหยุดชะงักมันมันไปต่อไม่ได้แล้วก็น้ําตาไหลพากออกมานะครับมันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับก็อาจจะเป็นความเห็นทุกของแมลงมันก็เลยเศร้าใจแทนเลยครับผมแล้วก็ไปอยู่ที่ไปภาวนาอยู่ที่เมืองเลยครับแล้วก็เดินไปที่นี่มันเดินไปแล้วมันหยุดชะงักมันไปต่อไม่ได้นะครับมัน ควรู้สึกมันเหมือนทั้งจะลอยทั้งจะนิ่งไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ในในในสภาวะตอนนั้นนะมันมันเงียบนิ่งไปหมดหัวก็ดัจิตสงบก็นิ่งก็เงียบไปหัวก็ดับตาก็ดับแต่ว่าเดินเดินไปได้แล้วก็หยุดชะงักบ้างครับได้ก็ดีก็ดีใช้ได้แต่ก็ยึดหลักเดินจงกรมผ้าจาย์ที่พยันุมคตาสอนมาแต่ว่าแต่ทําว่านั่งนั่งนี่นั่งไม่ได้ครับ จะเดินเดินได้ถ้าอยากนั่งก็เดินไปก่อนเดินไปก่อนครับผมแล้วก็ลองหันนั่งดูเวลาเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาเอาไปนั่งกันก่อนเพราะว่าเวลาเวลานั่งเป็นนั่งอยูท่ที่เวลาไปทําวัดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลานั่งฟังเทศน์มันเหมือนจะงายหลังนะครับมันเหมือนจะต้องพูบูบ้บาานะครับครับผมนี่นน ก, นก็ต้องเดินไปก่อนไปก่อนจะมีสติก็อลองดูก็ได้ เราจะนั่งต่อไปก็ได้ขอบคุณโอเคหมดแล้วช่วยคำถามขอบคุณค่ะอาจารย์ครับใครมีคำถามอีกไหมมีทา้งเฟซบุ๊กเข้ามาดีครับอาจารย์ออเชมีทั้งหมด8ปดคำถามเจ้าค่ะคำถามคำถามแรกจากคุณเพ็กกี้นนท์กราบขออาการเอ่อกราบขอโอกาสเจ้าค่ะ การทําของให้พระขณะที่ทําจิตนึกถึงพระ ต, ะตลอดเรียกว่าพุทธานุสติไหมเจ้าคะก็มันเป็นสังการนุสติมากกว่าถ้าเป็นพระสงฆ์แต่เวลาทําอะไรนี่คนจะให้อยู่กับงานที่เราทําอย่ินดีกว่ี๋ย่าทำผิดทําถูกกับข้าวอย่าเค็งไปหวานไปให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําแต่ขณะที่มีสติอยู่กับงานแล้วจิตยังคิดถึง ว่าพุณจะทมว่าสมได้ก็ไม่เป็นไรก็ทาไปคำถามต่อไปจากคุณส้มหนูอยากทราบว่าคือหนูใกล้จะตายหายใจไม่เข้าแต่จิตมีคาถาสวดชิมน้ำบรรทอนหลายๆรอบจนหลับหมดสติไปจึงรอดตายมาได้ระคาถาช่วยหนูจริงไหมคะไม่จริงหรอกเรื่องร่างกายนี้มันจะตายไม่มีอะไรจะช่วยมันได้ถ้ามันยังไม่ตายมันก็ไม่ตาย คาถาที่ช่วยจิตใจของเราให้สงบได้ไม่ทุกข์กับความตายของหน้ากายคำถามต่อไปจากคุณสลายุทธการหลอกให้คุณแม่ตื่นไปใส่บาตรจะผิดศีลข้อสี่หรือบาปไหมครับถ้าโกหกก็ผิดศีลก็บาปเวลาทำทาอะไรก็อย่าไปทำบาปพูดดีๆพูดบากเขาดีๆไปเขาจะไม่ทำเรื่องของเขาเลย ไป่ก็โอ่งนี่ต่อไปเขาด้วยว่าเราโผก่าอาจจะไม่เชื่อเชื่อใจเราตอบไปก็ได้ใครเป็นเด็กเลี้ยงแกเป็นคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณจริงนมัสการเจ้าค่ะคำถามจากผู้ปฏิบัติใหม่เจ้าค่ะปัจจุบันฝึกด้วยการเดินจงกรมหนึ่งร้อยอร์เซ็นหลังจากเดินแล้วใจนิ่งขึ้นในระดับเดิมๆค่ะคำถามคือจะทำยังไงให้ระดับการฝึกเพิ่มขึ้นคะ ก็นั่งต่อสนลองเดินจะท่าเดินไม่ไหวแล้วก็ลองมานั่งต่อนั่งดูลองไายใจนั่งพุโทโธพุโทโธไปคาถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์กราบนรมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนสอบถามพระพิสุท์สามารถสัมผัสมือแขนมารดาเพื่อให้กำลังใจเวลาเจ็บไข้ได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นผิดกฎนะเบียของพระ อาา น, น, นี้ต้องตัวสภาพสติไม่ได้เลยถึงแม้จะเป็นถึงไม่จะเป็นมารดาหรือเป็นภรรยาอาดีตภรรยาหรือเป็นลูกันห้าจะต้องคำถามต่อไปจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับน้อมนำเช่นไรเป็นแนวทางความคิดให้เป็นโลกุตลาขอรับต้องปฏิบัติปัญญาให้เห็นอ น, นุจังทุกขังอนัตตา ทุกสิ่งทุวยอย่างในรอกนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็องเลยทำให้เราทุกข์แล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันทำให้มันเที่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาคํถาถามต่อไปจากคุณพิชัยศาสตร์นวมสการครับพระอนาคามีส่วนมากต้องเข้าฌานได้ไหมครับถ้าต้องมีฌานจะต้องอยู่ในระดับฌานไหนครับ ออพระ อ, อาริยบุคคลนี้ก่อนจะเป็นอาริยบุคคลได้ต้องผ่านฌานต้องได้ฌานสี่กันก่อนคนำะถามสุดท้ายจากคุณวัฒนยากรณมศการพระอาจารย์ค่ะชอบมีคนพูดว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปรบกวนพระอาจารย์ให้ข้อชี้แนะได้ไหมคะเออมันก็เป็นคําพูดของคนตาบ อ, อกนะั เราบอกก็บอกสีแดงมีที่ไหนสีเขียวมีที่ไหนมีแต่สีดาคนที่ไม่รู้ว่าผู้ที่กระทำและผู้ที่รับผลของการกระทำนี้คือจิตใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของผู้กระทำคือจิตใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทาบุญทาบาปแต่ผู้กระทำจริงๆก็คือใจเพราะถ้าใจไม่สั่งร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้และผู้ที่รับผลบุญ คนบากว่าคือใจการทำบุญก็จะเกิดความสุขใจใจก็จะสูงขึ้นจากมันมันก็ไปเป็นเทวดาเป็นทองเป็นข้าริยาเจ้าตามลับถ้าทําบาปใจก็ต่ำลงมนุษย์ก็มันเป็นสับเป็นกระชากเป็นเปรตเป็นนักสุรกายเป็นนรกไปอันนี้คือสิ่งที่คนมันที่ไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิจะไม่สามารถมองเห็นตัวจิตได้ เลยก็เลยพูดแบบคนตาบอกว่าไม่มีหรอกสีเขียวสีแดงมีเท่าไหนฉันเห็นดั่สีดำอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคนบอกว่าไม่มีหรอกตายไปแล้วศูนย์ไม่มีการไปเกิดใหม่ไม่มีใครไปรับผลมุญน ผ, ผลบาตนั้นจากที่ตายไปแล้วขณะที่ทำยิมีชีวิตอยู่ทำดีก็ไม่ได้ดีเพราะว่าคนที่ทา ทำความดีบางทีไม่มีคนเห็นมันก็ไม่ได้รับรางวัลแจกใช่ไหมแต่คนที่ไปทําไปแบบหน้าไว้หลังหลอ่อเขาก็ได้รางวัลแปเพราะเวลาต่อหน้าเจ้านายก็ทําดีรับใช้เจ้านายเต็มที่เวลารับหลังเจ้านายก็ไปเที่ยวไปอะไรไม่ทํางานเจ้านายก็ไม่รู้เห็นว่าต่อหน้าดีก็เลยเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนให้แล้วก็ได้ดี มันอย่าไปดูผลที่เกิดจากอเกิดจากการได้ราบยึดทรัพยเสริมสุขอันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทําความดีที่เกิดจากการทําความดีคือจิตใจของเรามีความสุขมากขึ้นจิตใจสูงขึ้นคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วเนะมีใครเข้ามาใหม่หรือใครอยากจะถามอีกไหมคุณเบญจวรรณนะตอบใ่นะฮะได้ก็ตอบหมายได้เอย คุณเป็นเยาวันได้ยินไหมครับกดกดกุ่มอันนี้โอเคได้ยินค่ะกล่าวประนการกล่าวบบมาตรการอาจารย์ค่ะให้แม่ได้เจอท่านอาจารย์คุยกับท่านอาจารย์นะจ๊ะค่ะก็จะคุยอาจารย์ว่าโยมเนี่ยเก้าสิบแล้วค่ะแล้วเวลาโยมก็ไม่อ่านหนังสือไม่ออกไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกกดมันไม่เป็นแล้วเวลาโยมตายเนี่ยให้ให้ให้ให้อาจารย์บอก สอนสอนโยมด้วยค่ะได้ได้ให้ทําพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหัดทพุทโธไปเรื่อยๆโยมข้าสี่เ์ค่ะอยู่จังหวัดตังค่ะอยู่วยอดค่ะมันฝึกท่อพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวลาจะตายกบพุทโธพุทโธไปแล้วจะไปดีโอเคนะว่าพุทโธเลยนะท่องพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเวลาตักบาตรแบนี้เขาเขาเขาว่าไงอะค่ะ ก็ไม่ต้องว่าอะไรก็ให้ใจสงบไม่ว่ากาลังทําอะไรเลยจะพูดโธไปด้วยก็ได้ค่ะอ่าโอเคนะตทำใจให้ว่างทำใจให้แน่อย่าให้คิดตรงแตกค่ะให้อาจารย์สอนสอนสอนโยมมัางเนี่ยโยมเก้าจิตใจโยมยังแข็งแรงค่ะสอนง่ายๆแค่พุทโธคําเดียวนี่แหละ่ะค่ะค่ะโอเคนะมีเท่นี้นะค่ะค่ะการราชการเจ้าการคดีลูกสาวเลย เจ้าค่ะลูกสาวเจ็ดสิบแม่เก้าสิบเคยไปกราบอพระอาจารย์ที่วัดด้วยเจ้าค่ะเคยพาแม่ไปภาวนาที่ภูงัวตอนนี้ยมไม่ได้ภาวนาต้องมากลับมาดูแลแม่ที่ปักใต้อะเจ้าค่ะโอเคก็ดูเวลากันไปนะแม่เป็นพระอาหารของเรานะดูแลง่ายก็ท่านก็ได้ดูแลพระอาหนรใช่ค่ะ โอเคั้าหมดไม่ยังกันนี้ไม่อยากจะยืนเยอะเพราะว่ามันได้ยืดยามามีอาการขันเนื้อคันตัวม่จาาคะือสไดระง่วเลานะง ขอให้ท่านจงนวาวสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปที่นิมิตจระขออนค่ขอขอให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน